แจมแจ้งนักพระเจ้าข่าแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าประทำคําสอนที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเหมือนงายของที่ปัําเปิดของที่ปิดส่องประทีปในที่เขาบอกว่าบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อเหมือนกับเพื่อว่าส่องประทีปในที่มืดก็เพื่อให้คนตาดีเนี่ยมองเห็นรูปได้สันใดว่าไงธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แจมแจ้งอย่างนั้นแหละพระเจ้าข่าว่างัไง คือเมื่อจบแล้วก็เห็นแจ้งสมาทานอานฐานร่าเริงแล้วก็ทํามีกระฐานนั้นศรัทธาที่ยังไม่มากก็มากขึ้นใช่ไหมอา น, นิสงส์แห่งการสังธรรมคืออะไรนะมีศรัทธามากขึ้นได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วแจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะความสุขความสงบเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นในจิตจริงอยู่นะว่าคําสอนในผู้ศาสนาสอนเรื่องทุกข์เย้งแต่สอนเรื่องทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์ พุทธเจ้าสอนความจริงเรื่องทุกข์กรตส์จริงอยู่แต่ไม่ได้สอนให้ไปเป็นทุกข์เลยตรงกันข้ามเป็นคำสอนที่เป็นนิยานิกระมเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นจากวัตถุทุกนะนะทุกหนอทุกหนอ น, นี่เทายานไหนเลยนะโทสะนั้นว่าโอ้ปปนิสัยที่สะสมมาเนี่ยสะสมมาทุกอัธยาศัยเลย คือเราเราความความจริงของความคิดเนี่ยนะความคิดอย่างเรามานั่งคิดกันอยู่นี่มันไม่ใช่เราเพิ่งมาคิดแบบนี้วันนี้ใช่มสะสมไอ้ความคิดอันนี้มายาวมาหลายครั้งหลายวันแล้วแล้วก็มาคิดแบบนี้พอมาได้อุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไปคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะไอ้อุปนิสัยแบบนั้นเราก็สะสมมาแั้นสะสมมาทุกๆอัธยาศัย เมื่อสะสมมาทุกๆอัธยาศัยอย่างนี้แหละพระองค์จึงตรัสว่าความรกชัดของสัตว์เนไหมความรกชัดของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรกชัดในภายในอย่างนั้นจริงๆพอเจอหนึ่งอารมณ์ปั๊บเก็บไว้แล้วเป็นไม่รู้กี่สิวิถีไปเจออารมณ์ใหม่ก็เก็บใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่นี่มันตีกันเองอะข้อมูลมันตีกันเองอนะมันสับสนอันโน้นก็จะออกม า, อานี่ก็จะออกมาออกมาในรูปแบบของนิวรอนนะ ต่างกันจิตใจจิตใจก็เดือดร้อนเล่าร้อนกระวนกระวายทุกเนะี่ยทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกจริงๆเลยแหละทุกเน้อทุกเนอเลยแหละนะทุกแบบวุ่นวายขัดข้องแบบพยาะกุรบุตรมั้งเนาะที่นี่วุ่นวายนา้อที่นี่ขัดข้องเนานะนะแล้วก็ที่ที่กล่าว ย, ย่างนไงนะของมาเนี่ยเป็นเป็นสิบปีนปในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นอยู่เป็นสิบปีอะเหมือนกับคำนว น, นก็ว่า คันและเกาไม่ถูกอะไม่รู้มันคันเรื่องอะไรไม่รู้มันทุกอะไรแต่ว่าออชีวิตเป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะว่าสะสมมาทุกอัธยาศัยเลยเออผมออสองวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสสนทนาธรรมกับสองต่อสองกับสหายธรรมท่านหนึ่งนะครับออผมก็บอกว่า เรื่องทิฐินั้นเนี่ยเรื่องทิฐินั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมาปรับเข้าหากันเนี่ยโดยอาศัยพัดไตรปิฎกเนี่ยน่าจะน่าจะพราะรับกันได้ใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าพูดถึงว่าพัดไตรปิฎกในพัดไตรปิฎกท่านตัดไว้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นเนี่ยงามในเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุดนะครับ ประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะพร้อมอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแสดงว่าพระธรรมต่างๆในในพัฒไรปิฎกนั้นเนี่ยประกอบด้วยทั้งอัฏฐะและพยัญชนะแล้วก็บริบูรณ์ด้วยคําว่าพยัญชนะก็หมายความว่าในตัวพระสูรใช่ไหมครับที่เป็นพยัญชนะทั้งหมดถูกไหมครับและคาว่านนอัฏฐะ อันอัธตวนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับอเนื้อความ่ะนะก็คือสมมติถ้าหากว่าสิ่งใดที่สมบูรณ์ด้วยพยัญชนะเฉยเฉยก็เหมือนกับคำประพันธ์ยกตัวอย่างเช่นคำประพันธ์ที่กล่าวสักมีดินแดนอยู่ดินแดนหนึ่งนะ <c oughs> ที่นั่นเนี่ยโหยราบเรื่นสงบร่มเย็นอย่างเงี้ยพลนาเนื้อหาสนะเพราะ พ, พิงไปเลยไอ้องี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะเฉยเฉ แต่ไม่มีอัฏฐะอะไรแล้วเพราะอันนี้คือเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาสร้างขึ้นมาช่อยๆหรือว่ามีแต่อัฏฐะแต่ไม่มีพยัญชนะก็คืออย่างความจริงเหล่านี้เนี่ยคืออัฏฐะที่เป็นจริงอะ่ะแต่ไม่มีพยัญชะนะอะไรรองรับเลยอั้นคําสอนนี้ก็คือเป็นพยัญชนะที่มารองรับอัฏฐะซึ่งเป็นความจริงเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ความจริงไม่ใช่มีอยู่แค่นี้เพราะว่าความจริงแค่นี้คืออะไรถ้าแค่นี้ทางตาคือ รูปารมและถ้าความจริงของชีวิตของเราแค่ตามมาวาจรธรรมังนั้นความจริงมันมีสูงกว่านี้อีกอความจริงในระดับมหคตธรรมเรียกว่ารูปาวาจรและอรูปาวาจรแล้วก็มีความจริงระดับโลกุตระธรรมเข้าไปอีกดัง น, น, นั้นคะําสอนเนี่ยนะเมื่อพระ อ, องค์กล่าวถึงเป็นบทพยัญชนะซึ่งมีความจริงเหล่านี้รองรับหมดเลยเดังนั้นคําสอนที่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริง ไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริงเพราะว่าเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่รองรับมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าชาติพิทุกขาชราพิทุขามารณะพิทุกขังไม่ใช่เป็นคําพูดที่สระสรวยเพราะปลิ้งเฉยแต่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรองรับความจริงเหล่านั้นอยู่อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะหรือนิพานอย่างเงี้ยนิพานก็ไม่ใช่มีแต่คําพูดเฉยเฉที่มาภาลนาให้คน มีความอยากได้มีความต้องการว่าโอ้โหดีจริงๆเลยไม่ใช่ไม่มีอัตถะคือตัวนิพพานรองรับเพราะว่าสภาวะแห่งนิพพานนั้นมีอยู่แต่ถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติจนเข้าถึงโคตรภูยานก็จะมีนิพพานเป็นอารัมมณะปัจจัยทีนี้โคตรภูยานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มาไล่าลาดับตามนั้นไปถ้าหากว่าไม่ถึงลาดับอ น, นั้นก็ได้แค่ อนุมานตามคำสอนที่พระองค์ทรงสแสดงไว้เท่านั้นเองว่ า, าที่สุดแห่งทุกมีอยู่นะเนี่ยนะก็อาศัยตถาคตโพธิศรัท ธ, ธาเป็นเป็นพื้นฐานแต่ก่อนที่เราจะามีศรัท ธ, ธาในเรื่องของพระนิพพานอย่างดีเนี่ยเราก็ต้องมองกรรมมศกตาค่อนข้างมั่นคงก่อนนะเห็นโทษเห็นภัยของความเป็นไปของสังสารวัฏจึงจะต้องการที่สุดแห่งแห่งทุกเนี่ยนะ สมมติถ้าคนกำลังเล่นน้ำสนุกเนี่ยนะเรียกขึ้นฝั่งนี่เอาไหมไม่เอาหรอกยังไงก็ไม่เอาเห็นไหมกำลังเล่นน้ำสนุกสนุกเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, กเกนี่ยชอบจริงๆเลยแม่และพ่อต้องเอาไม้เรียวเนี่ยตามนะเป็นกันเลิอกอ่ะมันชอบอ่ะนี่ถามว่าอยากขึ้นบกไหมไม่อยากอ่ะเรากำลังเพลินอยู่กับห่วงน้ำนั่นแหละของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรากำลังเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหกในทวารทั้งหกเหล่านี้นะอย่างไรเราก็ไม่ถึงฝั่งแน่นอน ก็อย <là> like ู่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าในขณะที่อยู่ในห่วงน้ำเนี่ยนะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเล่นเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งนะจะไม่เล่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปจะเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งจะเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งเพราะรู้รู้ว่าในห่วงน้ำเนี่ยมีโทษมากเนี่ยนะก็รู้ว่ามีโทษมากนะห่วงน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิดเราจะขึ้นฝั่งแต่ว่ามีเป้าหมายมีทิศทางที่จะขึ้นฝั่งแต่ขณะนี้ก็ยังเล่นน้ําอยู่ก็สนุกด้วยอยากขึ้นด้วยนะ ก็คิดจะขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้อยากขึ้นจริงๆหรอกเนี่ยนะเพราะถ้าอยากขึ้นจริงๆเลยเนี่ยนะกุศลธรรมเราจะต้องหนาแน่นกว่านี้อย่างมากมายที่ว่ากุศลธรรมหนาแน่นเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นกรรมสกตาเราจะต้องมั่นคงจริงๆเนี่ยนะกรรมสกตามั่นคงในเกือบทุกอารมณ์เลยเนี่ยนะในหนึ่งอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งกรรมวิบากและกิเลสอย่างไรก็มองในสิ่งเหล่านั้นอย่างออกอย่างมาก เมื่อมองอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นไปแห่งสังสารทุกข์ไร้หมดก็จะเริ่มใส่ใจในสิกขาลนะที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเจริญสิกขาสามในอารมณ์แต่ละอารมณ์นั้นนั้นได้อย่างไรก็จะเริ่มพอกพูนมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะสลัดออกจากอารมณ์นั้นๆนะไม่ใช่ว่ า, อ, าอยากจะสลัดออกได้ง่ายๆเนี่ยนะผมเรียนถามอีกนิดหนึ่งนะครับคือ ในเมื่ออ่าในอัฏฐานั้นเนี่ยก็พระองค์ก็เป็นผู้เป็นผู้บัญญัติถูกไหมครับเป็นผู้เป็นเป็นของพระองค์มั้งนันเถอะถูกไหมครับทั้งผู้ยยนชนะทังอัฏฐาผู้ศาสนานี้เ<ม>ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าคําสอนเหล่านี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่มีผู้ใดเปิดเผยเพราะฉะนั้นทั้งหมดในผู้ศาสนาก็เชื่อว่าเป็นของพระองค์ครับตอนนี้อ่าข้อความบางอย่างเพราะมันมีอัฏฐาลึกซึ้งนี่นะครับอัฏฐาลึกซึ้งเนี่ย ในสูตรนั้นพระองค์ก็ยังได้อธิบายอัถนั้นด้วยก็มีถูกไหครับ อ, อธิบายละเอียดลงไปอีกก็มีนะฮะแม้แต่ ย, ยกขึ้นมาเป็นอุเทศเป็นนิเทศอะไรนี่นะครับก็ขยายต่อไปก็มีใช่หครับแล้วก็บรรดาท่านอัถกถาอาจารย์ทั้งหลายแม้กระทั่งคำของภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะหรือว่าก็มีถูกไหมฮะ อ, อธิบายอธิบาย อัฏฐะเหล่านั้นต่อมาอีกทีก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอัตตราฐาจารย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยโดยมากท่านจะอธิบายอัฏฐะที่ที่ลึกซึ้งและก็ อ, อ, อธิบายพยัญชนะด้วยถูกไหมตอนนี้ถ้าจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งบอกว่าอัฏฐะน่าเป็นเรื่องของเราเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะบัญญัติอัฏฐะหรือว่าเป็นผู้ที่จะมีอัฏฐะของตัวเองได้ไหมครับคือยังไงก็ก็ไม่ได้อยู่แล้วเห็น ไ, ไหม อย่างไรอัรถานี้ก็คนธรรมดาทั่วไปนี่นะถ้าหากว่าไม่มีคำสอนสัยอย่างเนี้ยอัรฐานั้นจะเห็นไม่ได้เลยเที่ที่ที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยทำให้นึกย้อนไปที่ว่าทำไมทำมังสรารนังฆะฉามิไม่มีปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะในองค์ธรรมสี่อย่างเลยนะจำไว้สี่คำเลยอริปริยัตอริยมรรยพลและนิพพาน เพราะฉะนั้นการกระทำของเราเองเนี่ยอย่างเช่นเราฟังธรรมนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหมเป็นนะทั้งการฟังการรักษาศรรรมมีลการถามว่าเอาเป็นสารณะไหมล่ะเมื่อไร่ที่เราคิดใจยึดกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อนั้นอุปาทานเกิดขึ้นทันทีฉนั้นสิ่งเหล่านี้ความจริงเหล่านี้จึงเอาเป็นสารณะไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามนี้จะมีที่พึ่งนะเพราะคําสอนชี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ พรั้งคำสอนก็ยังสอนเหมือนเดิมและไม่ได้ให้อยู่แค่นี้ด้วยนะยังบอกว่าอีกว่าควรต่อไปอีกควรก้าวต่อไปควรเพียรต่อไปอย่าหยุดกูแค่นี้น ะ, ะพระ อ, องค์ไม่สารเสริญการหยุดอยู่จะกล่าวไปยายถึงถอยหลังอย่างเงี้ยพระ อ, องค์มีแต่สอนให้ก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นในคําสอนที่เป็นพระปริยัตจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะการปฏิบัติของเราเนี่ยจึงเอาเป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ได้เพราะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์สัตว์หมดเลยเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เมื่อเป็นอารมณ์ของอุปาทานเมื่อไหร่ที่ยึดกุศลขณะนั้นไม่มีกุศลแล้วเนี่ยนะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีบางท่านถึงกับกล่าวมาบอกว่าที่ไตรสมาคมที่เรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้นเนี่ยท่านท่านหมายถึงว่าความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไรความเข้าใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรา พยัญชนะนี้ส่วนตัวของตอมาเองนะเท่าที่คนเรื่องไตรสรณะคมประมาณห้าแห่งเนี่ยไม่มีคำนี้เลยครับผมก็ถามไปบอกว่าความเข้าใจของเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานว่าเป็นความเข้าใจถูกถ้าหากว่าปุถุชนนั้นเนี่ยจะเข้าใจถูกทุกครั้งแล้วก็ร0อเปอร์เซ็สมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ ถูกหมครับเมื่อไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยแล้วเราเอามาเป็นสาระเนี่ยถามว่าผิดหรือถูกนะครับก็ก็คงเป็นเป็นเรื่องที่เอาเอาอย่างนี้นะเรามาลั่งลองไล่ไม่ถามว่าเราเป็นใครนะเมื่อเทียบบุคคลทั้งหมดในโลกเนี้นะเทียบหนึ่งนะพัพพะบุคคลอภัพพะบุคคลเนี่ยนะเราเป็นเป็นคนที่สมควรจะตรัสรู้รมหรือไม่ ถามว่าเอาเอาเ อ, าอยะบุคคลมาเทียบเลยนะปุตุชนปุตุชนก็แบ่งออกเป็นสองเป็นอันท่ปุตุชนกับกัลยาณปุตุชนโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระารหารันปะกติอรหรันอัครสาวกพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมาไล่ประมาณ10เนี่ยในพวกเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าอันทะปุตุชนธรรมดาก็คํานวณ ว, ว่า ก, กัลยาณนะปุตุชนเป็นอย่างไรก็คิดไม่ถูกอ่ะ ยังไงยกยังงี้นะชาวบ้านกับชาวเมืองยังไงก็คิดคนละเรื่องนักคนเรียนมากับไม่ได้เรียนมาเนี่ยยังไงคิดคนละงานเลยแม้แต่ว่าปุตุชนอย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระโสดาบันพระโสดาบันอย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระสกทาคามีพระสกทาคามียังไงก็ไม่รู้วิสัยของพระอนาคามีพระอนาคามียังไงก็ไม่รู้วิสัยของพระอรหันต พระอรหันต์อย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระอัครสาวกพรโมคขลานะพโมคขลานะก็ไม่รู้วิสัยของพระษาริบุตรในด้านปัญญาภาษาริบุตรก็ไม่รู้วิสัยแห่งพระปเจกับพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าก็ไม่รู้ในวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไล่แล้วแล้วมาย้อนมาหาเราคืนทั้นเราอะไรเป็นประมาณวิสัยของพระโสดาบันเราก็ไม่รู้ท่านเลยวิสัยของบุคคลชั้นสูงชั้นสูงชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะทัานในตัวของเราเองเลยเนี่ยนะ จึงไม่มีสารณะธรรมเลยมีแต่นาถการณะธรรมนะถ้าเจริญศรัทธาเจริญศีลเจริญสุญสตะเจริญจาระเจริญปัญญาให้มีในตัวเราก็จะมีนาฏานะมีที่พึ่งนะในชีวิตเราแต่สารณะเอาเป็นสารณะได้ไหมละ่ะเพราะตัวนั้นไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์จริงๆยังไม่ถึงให้พ้นทุกข์จริงๆแต่เป็นการปฏิบัติพอกพูนเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมได้ แต่ว่าคำสอนที่กล่าวถึงความจริงของชีวิตของเราทุกส่วนเนี่ยเป็นสาระได้เพราะเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆที่ชี้ทิศทางเนี่ยนะเราก็จะเข้าถึงโลกุตระธรรมได้อย่างอย่างจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพื้นฐานเรื่องสาระไม่ไม่แน่นก็กลาบากละวองมาก็เลยคิดอย่างหนึ่งทำให้เกิดความคิดอย่างหนึ่งว่ า, เ, าเรากำลังคุยกันคนละ ง, งาน <laughs> คนละ ง, งานอย่างหนึ่งแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งอยู่เราอยู่บนหลักการที่ไม่อยู่บนหลักการเดียวกันจุดร่วมกันไม่มีเลยนะเมื่อจุดร่วมไม่มีการสนทนาก็ต่างฝ่ายก็จะดึงเหมือนกับคนอยู่คนละข้างภูเขาอะอยู่คนละข้างภูเขาบอกโอ้นี่ถนนหนทางเนี่ยโลง่งไอเราบอกรกมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกโลง่งอะคุยกันคนละงานอะยังไงก็อยู่คนละภาพยังไงก็คิดกันคนละอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับกลุม่มบางกลุ่มเนี่ยนะ เข้ามาสมมติเรามาคิดแบบเราเนี่ยมันคนละ ง, งานเลยอย่างอย่างของเราในในหนึ่งความคิดเนะยเราจะมีคำสอนรองรับหมดเลยถ้าคิดอย่างนี้จะเข้ากับสูตรนั้นสูตรนั้นให้คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ตามลำดับแบบนี้แบบนี้แต่อีกคนหนึ่งบอกอยากคิดยังไงมันก็คนละ ง, งานอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ย, ยิ่งคุยต่อยิ่งทะเลาะ ก, กันง่ายทะเลาะ ก, กันง่ายฉั้นถ้า ย, ยิ่งคุยไปปั๊บเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าเราเ <c> ร <oughs> ียกว่า ปารบศีลกับคนที่ไม่มีศีนปารบศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาปารบสุตะกับคนที่ไม่มีสุตตะปารบจาระฆกับคนที่เหนยวปารบปัญญากับคนเขาเนี่ยยังไงมันก็คนละ ง, งานอยู่แล้วมันมันคนละ ง, งานขนาดที่เรียกว่าเอาเอ า, เอาเรื่องรามเกียนมาอธิบายโจโฉอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วมันจัดอธิบายกันไม่ได้ครับนะท่านก็บอกว่าวิธีรบของเนี่ยสามก๊กต้องเป็นอย่างนี้นะ นี่การรบของนี่ของรามเกียรติ์ต้องเป็นอย่างงี้นะอะไรเงี้ยมันมันก็<ช>มันคนละจุด<ช>ยืนทีเดียวนะครับ<ช>ก็เป็นเรื่องที่มันเคร่งเครียดหน่อยอย่างอัตถกถาเนี่ยถามว่าอัตถกถาคือใครข้อขความในปะปัญจสูทนีเนี่ยนะตรงรำตรงที่นมัส ก, การพระตัตนตรัยตรงอารมามภระกถาเนี่ยนะท่านกล่าวว่าอัตถกถาอันใด ที่พระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญ500องค์สังขยานาร้อยกรองไว้แต่เบื้องแรกและที่พระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายสังขยานาร้อยกรองเพิ่มเติมในภายหลังก็ดีเพื่อประกาศอธิบายเนื้อความแห่งพระสูตรเนี่ยนะก็คือคําว่าพระตักถาเนี่ยนะพระอรหันต์ร้อยองค์ร้อกรองไว้แต่เบื้องแรกและบางแห่งก็บอกว่าอ่าตักขาคือปกินกะเทศนาของพระพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำสังขยนาบาลี45เล่มเนี่ยนะสนํานวนเราก็คือ45เล่มเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็สังขยนาอัตกถาต่อว่าแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยนะอย่างวินัยเนี่ยแต่ละบทแต่ละบทท่านขยายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนะภาษูตแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคํามีความหมายอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็วางวะเนี่ยนะเพราะมันมันเป็นของสมัยนั้นอยู่แล้วซึ่งจะได้ยินได้ฟังคําถ้อยคําที่เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงสแสดงแบบทั่วไป ยกตัวอย่างเนี่ยว่าพระองค์แสดงทั้งคืนไม่ใช่ยกมาสู่พระไตรปิฎกทั้งคืนน ะ, ะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่บ้านปาตลิคามพระองค์ทรงสแสดงธรรมเกือบทั้งคืนแล้วยกมากล่าวยกมาขึ้นสู่ในสังคีติเนี่ยส่วนหนึ่งคือเพราะส่วนอื่นๆเนี่ยมีอยู่ในที่อื่นอยู่แล้วท่านเลยยกเข้ามาสู่สังคีติไว้หน่อยหนึ่งพอเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาทุกๆคําของพระองค์เนี่ยมาไว้ในพระไตรปิฎกหมดเลย ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียนไม่ไหวแน่ถามว่าทำไมจึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเราพูดหนึ่งคำพระอานุ์เนี่ยพูดได้แปดคำพระนลพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดสิบหกคำแล้วจะกี่คำอ่ะเราพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดเป็นร้อยคาไวขนาดนั้นแล้วพุทธเจ้าส่วนใหญ่นะบางทีเนี่ยชาวนาพระองค์จะเกิดหครั้ง ว่าขนาดนั้นนะแล้วลิ้นของพระ อ, องค์เนี่ยบางเหมือนกลีบบัววสํานวนาบางเหมือนกลีบบัวเนี่ยสามารถแผ่ปกหน้าได้หมดเลยแล้วฟันเนี่ยราบเรียบสี่สิบซี่นะชาวนะที่เล่นวายเนี่ยนะรูปที่สมควรเนี่ยสามารถพูดได้อย่างรวดเร็วมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าสำนวนทั่วไปนะไม่มีใครพูดทันพระพุทธเจ้าสักคนหรอกเห็นไหมแล้วในบรรดาชาวนะความคิดทั้งหมดเนี่ยคิดดูว่าชาวนะเล่นกว่าพรหม พรอมซึ่งปกติเนี่ยนิวรันไม่ครอบงำนะนิวรันห้ามไม่ครอบงำพรอมพระองค์เนี่ยเหนือกว่าพรอมอีกอ่ะพรมอมพระองค์พูดเนี่ยพรอมต้องฟังความสามารถแตกต่างกันมากมายมหาศาลเนี่ยน ะ, ะมหากิริยาเหล่านั้นเนี่ยไ ม, ไ, มไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในในพยัญชนะแต่งแต่เบื้องต้นแล้วนะของมาว่าอย่างไงก็ก็คนละ ง, งานอยู่แล้วคนละ ง, งานอยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะว่าของเราเนี่ยจุดจบของการศึกษาของเราคืออะไรถ้าเราไม่เอาหลักพยัญชนะมาเรียบเรียงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่เอาอาวิชชาสูตรหรือตันหาสูตรเป็นต้นมามาเรียบเรียงนะว่ า, าการปฏิบัติลาดับขั้นต้องเป็นไปตามนี้นะเอามงคลสูตรเป็นต้นมาเรียบเรียงนับตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังปันตานั่จะเสวนาทั้งสาสิบปดข้อนะว่าหลักการปฏิบัติต้องเจริญเติบโตไปแบบนี้นะ หรือในอวิชชาสูตรตันหาสูตรตั้งแต่บคบสัตว์บุรุษฟังธรรมของท่านมีศรัทธาแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิสโสเกิดสติสัมปชัญญะเป็นต้นก็ต้องไล่ ไ, ลไล่ไปเรื่อยๆจนถึงกับการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็ต้องเป็นไปตามนะั้นนี่คือบทความในที่ที่ที่ในพยายามชนะเทียบเรียงไว้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นของเราจบที่ไหนเราไม่รู้สักอย่างเลยนยะเราเราจะไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจแล้วก็ตรงนี้แหละสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆเลยที่นี้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้สนทนาธ ร, รมกับผมนี่ยอมรับมีอยู่เรื่องผมบอกว่าผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรไมาเลยเนี่ยแต่ศรัทธาอยากจะเข้าใจธรรมะเนี่ยแล้วมาขอความเข้าใจเนี่ยแล้วเราก็สอนเรื่องวิปัสสนาให้เลยตั้งแต่เรื่องมาธรรมะคืออะไรเนี่ย ถามว่าถูกไหมคนนี้ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยเนี่ยมาถึงก็มาสอนเลยเนี่ยให้รู้ถึงปรมัตา ธ, ธรรมเลยถามว่าถูกไหมเนีเราจะเห็นว่าพระภูมิภาคตรัสไว้ตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาภาวนานะสมถะภาวนาวิปัสสนาวิปัสนาภาวนานี่นะครับพระองค์ตรัสว่เป็นขั้นตอนเลยในวิสุทธิมัชก็จะหนึ่งศีลสิกขาจ<ม>ิตสิกขา ปัญญาสิกขาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ถ้าหากว่าศีลใดผู้ใดไม่มีศีลผู้ใดยังไม่รู้เรื่องศีลพระองค์จะไม่ตรัสในเรื่องจิตสิกขาแน่นอนเจริญตอนใช่แล้วถ้าสองอย่างนี้ไม่มีพระองค์จะไม่ตรัสเรื่องปัญญาสิกขาแน่นอนเพราะฉะนั้นจูจ่ๆเนี่ยเราจะสงเคราะห์เขาเนี่ยโดยเอาปรณพ ธ, ธรรมไปยัดเยียดในเขาเนี่ยถามว่าถูกต้องไหมเขายอมรับเออมันเป็นอย่างนั้นมานานนะแล้วก็หรือทำนองว่าเออยอมรับ อัน น, น, นึงนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่น่าคิดมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่ศึกษาตามแนวนี้เนี่ยศึกษาไปจนกระทั่งสอนผู้อื่นได้ในเรื่องปรมาต ธ, ธรรมเนี่ยแต่ตัวเองทุสีลอย่างมากมายจนน่าเกลียดก็เห็นตัวอย่างอยู่หลายหลา ย, หลายท่านที่เดียวนี่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราสอน ธรรมะขั้นสูงขั้นนิพพานาขั้นปัญญาขั้นสูงแต่วัดปฏิบัติของตัวเองนั้นกลับไม่มีในเรื่องในเรื่องศีลเลยนี่เอะมันน่าคิดว่าธรรมะระดับสูงนั้นจะจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะจริงสมัยก่อนไม่มีนะที่ลักษณะนี้ก็คือตัวอย่างพระกัปิละไง ท่านแต่งแต่งมากเลยท่านทรงเข้าใจพิ่ดกอท่านก็สอนทีนี้ความที่ตัวเองศีลไม่ค่อยดีเนี่ยนะนานเข้านานเข้าเริ่มบิดละความที่ฮิริโอตะปะไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะลาบสการะก็พรางพลูเข้ามาเมื่อลาบสการะพรางพลูเข้ามามากขึ้นก็เริ่มบิดเบือนละนะกล่าวธรรมะว่าเป็นอาธรรมกล่าวอาธรรมว่าเป็นธรรมะกล่าวของที่ไม่ควรว่าควรกล่าวของที่ ควรว่าไม่ควรเ่นะเริ่มบิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มทำลายศาสนาคือทำลายศาสนาเนี่ยนะก็คือฐานะถ้าอยู่ในแบบเป็นครูอาจารย์อย่างงี้แล้วก็ไม่กล่าวตามนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นการทำลายเย น, น ะ, ะเมื่อทำลายก็คือทำอย่างไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นของพระอรหรันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะมาเป็นของธรรมะของเราลว ถ้าธรรมะของเราเนี่ยถามว่าเรามีธรรมะอะไรบ้าง <c oughs> มีแต่อากุสลาธรรมามีธรรมะไหมมีแต่ว่าอากุสลาธรรมมาโลภะแปดโทสะสองโมหะสองเนี่ยสมรับกันเกิดเนี่ยระดมกันมาถามว่าธรรมะไหมเป็นแต่เป็นอากุสลาธรรมามีโทษไหมมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เดี๋ยนะไม่ดีสักอย่างเั้นเอาเราเป็นประมาณได้ที่ไหน แต่คำของพระตถ า, าคตอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นถ้อยคำที่เป็นนิยานิกรรมจริงๆเป็นสวาขาดตธรรมจริงๆช่วยให้สัตว์พ้นจากกองทุกข์จริงๆเห็นไนมเพราะผู้ที่มีกิเลสมีบาสมีอกุศลไม่ควรน้อมเข้ามาหาตัวโดยประการทั้งปวงพระองค์ตรัสกับพระมหากรสปะว่าภิกษุรูปใดกล่าวธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วน้อมเข้ามาหาตนประสงค์ว่าคนจะได้ยกย่องตน ธรรมเทศนานั้นของบุคคลนั้นไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะส่วนธรรมเทศนาใดาที่ปราลบว่าในความเป็นธรรมดีของพระธรรมธรรมเทศนานั้นเป็นของบริสุทธิ์แล้วตอนอีกสูตรหนึ่งพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของว่าปัทวีธาตเตโชธาตุไม่ได้ทําลายพุทธศาสนาอะไรหรอกนะแต่ว่าโมฆะบุรุษนี่แหละเป็นผู้ที่ทําลายพุทธศาสนาคือทําลายคําสอนของพระผู้มีพระภาคการไม่กล่าวตามนั่นแหละคือการทําลายแล้วในเรื่องนั้นนั้น แล้วที่น่าสังเวชใจสลดใจแล้วก็น่าดีใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อความในสารัตถีปณีดีกานะและก็ในอีกหลายแห่งกล่าวถึงเรื่องของว่าคำซ้อนหนึ่งรรมขันเนี่ยนะเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยนะจากพระพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยทำให้เราสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่นเมือ่อหนึ่งคําสอนหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์เมื่อบุคคลยกพระพุทธพจน์ในธรรมขันนั้นมาแล้วคนคนฟังปฏิเสธเท่ากับปฏิเสธพระตระถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาด้วยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะนี้ก็ทําให้เราตรวจสอบอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่ง ทำให้เรานี้จะได้ไม่ประมาทในในพุทธพจน์นั้นๆครับที่อยากจะเสนอท่านที่สนใจธรรมะนะครับคือถ้าตามในพัฒนัยปิฎกนี่นะครับในโสตปฏิยาขท่านบอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วนี่ครับก็เข้าไปใกล้นะครับเมื่อเข้าไปใกล้เงี้ยโสดลงฟังเราดูเป็นขั้นตอนเลยนะครับเงี้ยโสดลงฟัง เมื่อฟังแล้วนะครับก็ทรงจําทรงจําไว้เนี่ยทรงจําพระธรรมนั้นไว้แล้วก็นำมาโยนิสงมรริการหรือนํามาพิจารณาข้อความที่เราจำไว้นั่นนะฮะแล้วธรรมนั้นเนี่ยจะทนต่อการเพ่งตรงนี้นี่สําคัญมากเลยเพราะว่าพระธรรมของพระองค์นั้นท้าทายให้พวกเราเนี่ยลองพิสูจน์ดูถ้าหากเอาไปเพ่งพิจารณาแล้วนี่นะ ถ้าเห็นว่าเป็นจริงยิ่งเพง่งยิ่งเห็นว่าจริงยิ่งสอดคล้องทั้งเหตุทั้งผลถ้าอย่างนี้แล้วนะครับก็จะทำให้ธรรมนันทนต่อการเพง่งนี่เป็นข้อความที่สำคัญมากเมื่อทนต่อการเพ่งแล้วผู้เพ่งเองก็จะเกิดฉันทะตรงนี้สำคัญมากเลยเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็จะตามมาด้วยวิริยะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าหากว่าเราฟังธรรมะจากผู้ใดแล้วแล้วลองทาตามนี้ ไม่ว่าจากอาจารย์ไหนนะั <S <S ้นเรานำมาเพ่งดูนะและทนต่อการเพ่งไหมเช่นท่านบอกว่าสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยท่านลองเอาคำนี้ลงมาเพ่งดูนะครับจำไว้เลยวนะ่าท่านให้ความหมายคำว่าสติคือความรู้สึกตัวนี่นะครับแล้วเรานำมาเพ่งดูนะฮะและทนต่อการเพง่งไหมถ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์ไม่ใช่พยัญชนะและอัฏฐะที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเอามาเพ่งดูนะครับ มันไม่ทนต่อการเพ่งครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เพ่งกันเราก็รับมาเลยเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่สามารถที่จะเลือกสรรได้ว่าธรรมะเราใดเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรเราจะรับทันทีเลยด้วยลักษณะที่เรามีความศรัทธาเชื่อถือในส่วนตัวในส่วนบุคคลทุกวันนี้สบายใจอยู่อย่างหนึ่งเรา ที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันทายังไงนะมาตรวจสอบนะเออเรานี้พูดให้คนมาเข้ามาติดเรามากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเขาเข้าถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะก็ได้ข้อตรวจสอบว่าทุกคนเวลาเขาอ้างเขาอ้างพระพุทธเจ้ากันแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ไดนะก็คือเราก็เท่ากับดึงคนให้ใกล้ชิดพระศาสดานะ ให้ใกล้ชิดภาษาสดาใกล้ชิดพระอัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะนนั้แสดงว่าถ้าเราผิดพลาดคนเหล่านี้ก็จะช่วยสงเคราะห์เราด้วยเพราะว่าเขาเข้าถึงพระตรถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเราผิดพลาดเราก็เลวเฉพาะตัวไปถือว่าเป็นเป็นความเสียหายเฉพาะตัวแต่แต่ว่าชีวิตของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเขามีพระตรถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น เป็นสารณะนะแล้วก็ทำให้สบายใจยอยู่อย่างหนึ่งเออถ้าหากว่าเขามีสารณะเราคงได้บุญเยอะแน่นอนเลยถ้าเขามีที่พึ่งหลายชาติต่ อ, ตอไปเราคงมีที่พึ่งเหมือนกับเขาเมืออกันเ น, นะเออผมพอใจอย่างที่ท่านท่านอาจารย์สมบัติมาเชียงใหม่ท่านได้ตั้งความปรารถนาว่าเมื่อท่านได้แสดงธรรมแล้วพวกเราเนี่ยเมื่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อท่านจากไปเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นะ นี่เป็นความเป็นปณิธานของท่านอาจารย์สมบัตินะครับ เ, เมื่อท่านจากเราไปแล้วไม่ว่าจะจากไประยะเวลาสั้นยาวแค่ไหนนะครับแล้วเราก็มีตัวเองเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเราสามารถจะค้นคว้าจากพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ก็ดีหรือว่าเรานําคําสอนเหล่านั้นมาม า, ม า, ม า, มาตรึกมาตรองมาทําให้เจริญมากขึ้นก็ดีเนี่ยถ้าทําได้โดยตนเองนี่นะครับมันเป็นความปรารถนาของท่านอาจารย์สมบัติ เมื่อกลางวันนี้ยังพูดกับแม่บ้านผมอยู่นี่ผมยังเอ่ยถึงเลยนะครับและผมเห็นบุคคลหนึ่งซึ่งผมอยู่ข้างบ้านผมนี่คือคุณจ้อุ่มนะครับท่านเป็นคนที่เดี๋ยวนี้มีความสุขมากเพราะว่าท่านพึ่งตนเองในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเริ่มขั้นต้นนี่นะครับแต่ท่านวินิจฉัยเรื่องราวอะไรเนี่ยได้ถูกเพราะท่านอาศัยอาศัยการคนา้นคว้าแล้วก็ธรรมะของท่านเจริญดูดูแลเนี่ย รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมจะต้องถามท่านบ่อยๆนะนะเพราะว่าท่านนําไปเพ่งบ่อยๆเช่นธรรมะ ต, ต่างๆนะนี่นี่ยท่านเป็นคนที่เก่งมากด้วยนะจุ๋มเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะมีอายุสูงกว่าผมด้วยเดี๋ยวนี้ท่านทําตามนี้ครับแล้วท่านก็พึ่งตัวเองได้นี่ก็น่าอนุโมทนานะครับเจ้ถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะเราสังเกตดูข้อความใน คาถาว่าพาหุงเวสารณังยันติปภะตานาวนาปิจาอารามีรุปเจตยาณิก็คือกล่าวถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกภัยคุกคามเป็นต้นแล้วเนี่ยก็จะถึงภูเขาบ้างถึงลุกเจดีบ้างอารามบ้างสวนบ้างอะไรเป็นสารณะวางั้นสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่สูงสุดเลยสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่กเกษมเลยแต่เป็นไหมเป็นแต่ไม่ใช่สารณะที่สูงสุดไม่ใช่สารณะที่กเกษมจริงๆ เพราะเมื่อเขาถึงสารณะเหล่านั้นแล้วเขาไม่สามารถจะพ้นจากกองทุก์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเย็นไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะชี้ให้เขาเห็นอริยสัจเนะอะชี้ให้เห็นว่านี้ทุกนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเย็นไหมเขาก็นั่นแหละ เป็นสารณะที่ประเสริฐสูงสุดจริงๆนะเพราะว่าเมื่อเขารู้แจ้งอริยสัตว์เขาจะพ้นจากกองทุกขจริงๆเลยเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาเป็นพระโสดาบันการแทงตลอดอริยสัตว์ครั้งแรกเป็นพระโสดาบันอย่างไรเขาก็ไม่ไปอบายอีกแล้วอะไรนะบอกว่าสัมโพธิปลายโนเขอกวเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าว่างั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้ว ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิว่างั้นเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิถึงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากอบายทุคติวินิบาต์นรกส่วนอริยส า, าวกผู้เข้าถึงอริยธรรมแล้วเนี่ยเข้าถึงการแทงตลอดอริยศาสต ร, ร์แล้วเขาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสัตตะขัดตุงไม่เกินเจดครั้งว่างั้นเด้ ไม่เกินเจ็ดครั้งเท่านั้นเองความทุกข์เพราะว่าอบายทั้งหลายแหล่เขาปิดได้หมดแล้วเนี่ยนะเขาปิดอบายปิดอะไรทั้งหมดถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอริยสัจเนี่ยใครเป็นคนชี้พระพุทธเจ้าพระนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรเป็นคนชี้เนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเองถ้าจะเปรียบว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นสาระอะไรบ้างเนี่ยนะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยอ่ะ โสดาปติมัติก็ยังไม่เกิดเลยไม่รู้ยังไงฝันก็ยังไม่เคยฝันว่าได้โสดาบันสักทีเลย <c oughs> มันก็แสดงว่าอานะไรเราต้องรู้ฐานนะของเราจริงๆว่าเราเข้ามาในในผู้ศาสนาในลักษณะมาสะแสวงบุญนะเรามาสร้างกุศลของเราแล้วกุศลอยู่ที่ไหนลหละอะไรเป็นกุศลใช่ไหมอย่างอย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะคำพูดที่ดังๆใช่ไมเป็นกุศลพูดได้ชั่วโมงหนึ่งหูกุศลเกิดทั้งชั่วโมงเลยอย่า ง, งานั้นหรือเปล่าใช่ไหม เป็นยังไงอ่าเพราะว่าที่ดังดังเสียงนั้นเป็นอัพยากตะเสียงเกิดจากจิตกี่ดวงถ้าของพวกเราเลยนะี่ยยี่สิบดวงอ่ะแน่นอนเลยยี่สิบดวงนี่แหละวันใครพูดเอ่ยมาหรือว่าเฮ้อแค่เนี้ยยี่สิบดวงมาจับเลยโลภะแปดโทสะสองโมหะสองมหากุศลจิตแปดทีนี้เอากุศลมาไล่ก่อนนะ ง, ง่ายดี เพราะว่าออทานนะกุศลด้วยกุศลหรือเปล่าทานศีลภาวนามีสักอย่างถ้าไม่มีก็โล อ, อกำลังนึกถึงอะไรอยู่จึงนั่นขึ้นมาสุภาพนิมิตโลภะแปดปฏิฆานิมิตโทสะสองอุเบคานิมิตโมหะสองแล้วเรามีอะไรอารมณ์นั้นเป็นนิมิตในลักษณะใดใช่หเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราพูดออกไปนั้นเนี่ยนะ เสียงเป็นอัพยากตะธรรมเท่านั้นเองแล้วในความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยให้แก่เสียงเนี่ยทําไมคนคิดไม่เหมือนกันและพูดไม่เหมือนกันความคิดเหล่านั้นมีอะไรเป็นปัจจัยนะมีจิตเป็นปัจจัยแล้วจิตมีอะไรเป็นปัจจัยอีกครั้งนึงเห็นไหมตัวความคิดอันนั้นเนี่ยนะที่จิตเนี่ยอย่างเงี้ยเสมมาคิดแบบเนี้ยมีอะไรเป็นปัจจัยเคยคิดไหมว่าเราหนึ่งคิดหนึ่งอย่างเอ้ยทาไมเราจึงคิดอย่างนี้ ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะสาคัญมากก็คืออุปนิสยปัจจัยชาวนะก่อนก่อนที่เราสะสมมาทุกๆุกเรื่องเลยเป็นอุปนิสัยของบุคคล น, นั้นๆเลยนะเนี่ย น, นะก็ถ้าเราจะคิดหนึ่งอารมณ์ปฏิฆานิมิตอ่ะอุปนิสัยโทสะก็เคยสะสมมาแล้วถ้าจะคิดให้ชอบเอออุปนิสัยโลภะก็เกิด จะคิดให้ฟุ้งอุปนิสัยอุทธจักก็เกิดเพราะเรามีทุกอุปนิสัยเลยแล้วแต่อารมณปัจจัยถ้าได้อารมณปัจจัยแบบนี้อุปนิสัยแบบนี้จะเข้ามาทันทีความคิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตของเราทั้งหลายไม่มีความคิดใดความคิดหนึ่งแช่อยู่ในนั้นเลยนะอย่างที่พูดอยู่นี่เนี่ยไม่มีความคิดเกิดอยู่ก่อนเลยนะความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะรอนะมันจะรอแล้วพูดออกไปไม่ใช่ นะพอได้ปัจจัยไดอารามณะปัจจัยได้อุปนิสัยปัจจัยได้สิ่งแวดล้อมอุปนิสัยความคิดเดิมก็จะมาแล้วก็จะพูดตามนั้นไปทีนี้ถ้าอุปนิสัยนั้นสะสมคําสอนมาไม่ดีคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่ไม่ใช่คําสอนและเห็นไหมทีนี้ทําอย่างไรเราจะสะสมความคิดให้เป็นไปกับคําสอนให้มากที่สุดในลักษณะนี้เรียกว่ามีธรรมังเป็นสารณะเลยนะเราก็จะมีพระธรรมเป็นสารณะขอคิดตาม พระธรรมคาสอนว่าพระธรรมคาสอนให้คิดอะไรก็จะขอคิดตามนั้นคิดได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่เพราะความคิดหนึ่งความคิดเนี่ยนะผวังคจิตก็มีที่พลที่มีความสําคัญต่อความคิดมากถ้าผู้ที่เรียนอภิธรรมมัตสังกหะเนี่ยนะในประชิศที่หนึ่งเนี่ยนะทำไมโลภภาพจิตจึงเกิดบ่อยนะเหตุให้เกิดโลภภาพมีอะไรบ้างอาจารย์ติงข้างหลังอะ่ะ โลภามูลจิตมีอะไรเ ป, เป็นเหตุบ้างอ่ะไปะเฉดหนึ่งเลยหน้าต้นต้นยไม่ได้หน้าลึกซึ้งอะไรหรอกจานจันทนากันแล้วกันมีอะไรเป็นแบบมีอะไรบ้างโลภามูลจิตนะที่สําคัญมากปัจจัยที่สําคัญก็คือกรรมที่ทํานั้นมีโลภะเป็นบริวารนะเนี่ยนะอ่าภวังคจิตเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากเป็นผลของกุศลก็จริง แต่ถ้าผลของกุศลอันนี้ว่าขณะที่ทํากุศลเนี่ยมีโลภะเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมโลภะที่เกิดหน้าหลังจิตดวงนั้นแหละมาเป็นอุปนิสัยให้ความคิดพอความคิดนี้เกิดขึ้นระวังขจิตเกิดขึ้นระวังอันนั้นที่มีอุปนิสัยที่สะสมโลภะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นบริวารเนี่ยนะชาวนะก็จะเป็นไปตามโลภะสัส่วนอย่างถ้ากรรมที่ให้ผลนําเกิดเป็นกรรมสายโทสะนะมีโทสะเป็นบริวาร เขาก็จะเวลารับอารมณ์ใดใดเนี่ยนะไอ้โทสะที่เป็นบริวาร น, นั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีหรือถ้าหากว่ากรรมนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภทอุเบกขาให้ผลนําเกิดมาพอ ร, รับอารมณ์อะไรก็จะอุเบกขาถ้ากรรมในอดีตเป็นสายโสมนัสเขาก็จะมีโสมนัสมากขึ้นก็แล้วแต่ของเดิมด้วยผวังด้วยอุปนิสัยของรอบข้างด้วยความคิดนั้นๆก็เกิดขึ้นไม่ได้มีความคิดใดๆเกิดแช่อยู่เลยได้ปัจจัยพร้อมความคิดนั้นก็เกิด แต่ละความคิดเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าจิตตุ ป, ปาธะาทางธรรมะเราเรียกว่าจิตตุ ป, ปาทะการเกิดขึ้นของจิตการเกิดขึ้นของความคิดความคิดเมื่อเกิดขึ้นนั้นมีสีเป็นอารมณ์ก็มีมีเสียงเป็นอารมณ์รูปารมนังวาสัพตารมนังวาคันธารมนังวาเนี่ยนะนี่ไปน่าจะไปงานศพมาแล้วใส่ชุดดำใช่ไหมนั่นแหละได้ฟังบทนี้มาแล้วมีสีเป็นอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้น มีเสียงเป็นอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้นมีกลิ่นมีรสมีโพธิภะมีธรรมะเป็นอารมณ์ความคิดในนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อความคิดหนึ่งความคิดเกิดขึ้นนะผัสโสโหติผัสสะเกิดขึ้นเวทนาโหติเวทนาเกิดขึ้นสัญญาโหติสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหติสัญญาเกิดขึ้นจิตตังโหติจิตเกิดขึ้น นะถ้าเป็นกุศลเนี่ยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นก็จะร่วมเกิดขึ้นในสมัยนั้นในขณะนั้นนั้นเกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทําหน้าที่เป็นสหาชาตกรรมเมื่อเขาดับไปก็เป็นนะสะสมในสลักษณะนา น, ขาขนักขคณิกกรรมถ้าได้ปัจจัยพร้อมเจตนานั้นก็ให้ผลเลยแปรสภาพมาให้ผลได้งนั้นความคิดก็จะเป็นไปในลักษณะนี้<ม>ความคิดก็จะเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยความคิดเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัย วัตถุกับอารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยที่สาคัญของความคิดนี่นี่เป็นหลักการใหญ่อันหนึ่งของท่านอาจารย์สมบัติที่แสดงแล้วเพราะผมก็เกิดความเลื่อมใสนะครับนี่นี่เป็นอีกจุดยืนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะจะห่างจะห่างไกลจากที่เราสนทนาทำกันเรื่องความคิดเพราะว่าจุดยืนของเราเนี่ยเราเราเราให้ความสำคัญมากมีเรื่องความคิดใช่ไหมครับจะเห็นว่าวันสุดท้ายผมได้แสดง <c oughs> ผมได้หลีกเรี่ยงการพูดธรรมะมาตลอดจนกระทั่งวันสุดท้ายผมคิดว่าผมควรจะพูดธรรมะอะไรแล้วผมก็เพราะว่าสาธกษ์สัพพัญญาบอกผมว่าถ้าพูดต้องเป็นประโยชน์เพราะว่าได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นอัตตสัมมาปณิทิก่อนอย์เข้าประชุมถ้าเราพูดผู้ฟังต้องได้ประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์ในถ้าเราไปพูดสิ่งที่ขัดแยง้งหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ไม่ตกลงกันนี่ เขาก็เสียประโยชน์เราเขาเสียประโยชน์ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเราน่าจะพูดเรื่องศีลนะถ้าพูดเรื่องศีล น, นี่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นกุศลพื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะต้องควรจะต้องเข้าใจนะแล้วผมก็ท่านก็เปิดโอกาสให้ผมแสดงเรื่องศีลผมบอกว่าผมเดี๋ยวนี้ผมหันกลับมาสนใจธรรมะ ต้นๆคือเฉพาะในเรื่องศีล น, นะครับผมก็พูดธรรมะเรื่องศีลโดยผมยกโครงสร้างของศีลให้ดูทั้งหมดก่อนเลยตั้งแต่เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวิทิกรรมคือการไม่ล่วงเป็นศีลอัะของศีลคื อ, อคือสังวรและไม่กล้าล่วงอัธของศีล น, นะครับ นะฮะอันนี้น่าฟังมากนะครับตอนนี้ผมก็ยกโครงสร้างก็คงจะไม่พูดในนที่นี้นะฮะว่าเรายกมาละเอียดผมยกละเอียดเลยนะครับและผมก็กล่าวว่าศีลขั้นต้นได้แก่เจตนาศีลกับเจตสิกศีลนั้นเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีอินทรียังวันศีล น, นะครับจะมีไม่ได้เลยเพราะว่าในปฏิสัมพิธาท่านกล่าวไว้ชัดเจนมากเลยศีลเบื้องต้นนั้นนะครับเช่น าปาณากดีนะครับหรือว่าจาลิตศีลวาลิตศีนเนี่ยนะครับกับศีลที่เป็นเจตสิกศีนเช่นสัมมาวาจาสัมมักามันตะสัมมาอาชีวะนะครับอนาัาพิชฌาอัพยาปทามมทะสมาธิฏิเนี่ยทั้งเจตนาศีลทั้งเจตสิกศีนจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักรักษาอินทรีย์ถ้าเราไม่สังวร อ, อินทรีย์ขอทโทษลงย้ำนิดนึงนะครับคือแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราเคยสังวรไหม ที่เราเคยคิดว่าเราเนี่ยรักษาศีลมาเนี่ยนะครับปูหมกภูมิใจศีลห้ามาว่ารับรองได้เลยไม่มีขาดตกบ ก, กพร่องจริงๆแล้วนี่นะครับก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่มีอินทรีย์สังวรศีล น, นะครับผมก็อธิบายเรื่องสังวรให้ฟังนะครับว่าถ้าสังวรมันจะต้องเป็นยังไงบ้างถ้าสังวรนี่นะครับก็หมายความว่า เป็นการสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับเมื่อมีอารมณ์มาปรากฏทั้งทั้งทวาร น, นี่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจิตเราจึงจะไม่ตกไปในอกุศลเช่นถ้าหากว่าอารมณ์เป็นปฏิฆาจิตเราก็ไม่เกิดพยาปาทะไม่เกิดโทสะถ้าจิตเป็นสุภานิมิตก็ไม่ตกไปในโลภะ ก็ไม่ตกไปในอภิชาถ้าจิตเรามีอุเบกขานิมิตก็ไม่ตกไปในเรื่องโมหะทําอย่างไรจึงจะเห็นนิมิตต่างๆเหล่านี้แล้วไม่ว่าปฏิฆานิมิตสุภาหนิมิตอุเบกขานิมิตแล้วจิตของเราเป็นกุศลได้ด้วยอุบายอะไรก็แล้วแต่ขนาดนั้นท่านมีสังวรแล้วท่านจะไม่มีโอกาสล่วงเลยทําได้ไหมไม่ง่ายแต่ว่าฝึกทําได้นะครับฝึกทําได้ ตอนนี้ตอนนี้ผมก็บอกว่าเรื่องศีลนี่นะครมันเป็นเรื่องของการศึกษามันเป็นศีลและสิกขามันเป็นการศึกษาใหญ่หนึ่งในสามของสิกขาสามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยเราเคยศึกษาไหมเรื่องนี้เพราะคำว่าสิกสิกขาหรือสิกขาเนี่ยนะท่านหมายถึงอย่างนี้ครับเราจะเข้าใจว่าสิกขาคืออะไรท่านหมายความว่าถ้าสิกขาต้องหมายถึงว่าหนึ่งเราสมาทานเนี่ย เราสมาทานเรารับเข้ามาปฏิบัติเนี่ยนี่ก็เป็นการศึกษานะครับเราพิจารณาก็เป็นการศึกษานะครับเราตั้งใจพิจารณาเราตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นการศึกษาการกําหนดรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็เป็นการศึกษาการที่จะเราควรจะละสิ่งใดที่ควรละนี่ก็เป็นการศึกษาชั้นสูงแล้วเป็นในเรื่องของนู่นแล้วสูงแล้วนะครับ ก็สรุปแล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาในเรื่องศีล ต, ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิกขานะครับทอ น, นี้เรามาปฏิบัติยังไงบ้างที่จะเพิ่มพูนให้ศีลเหล่านี้เนี่ยเราจะมาท่องแค่ศีลห้าจนคล่องปากหรือว่าศีลแปดคล่องปากหรือว่าปาติโมกคล่คองปากก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นสิกขาทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นก็ยังไ ม, ไม่ไม่เพียงพอผมก็ ยกให้เห็นว่าถ้าท่านเห็นปฏิคานิมิตรหรือว่าสุพานิมิตนะครับแล้วเราสงเคราะห์มาเป็นศีลสิกขาได้อย่างไรผมก็ยกตัวอย่างคุณชุอุ่มนั่งข้างๆผมผมบอกคุณชุอุ่มเนี่ยอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผมเห็นคุณชุอุ่มแล้วผมโยนนิโสโอมนัสิการว่าผมเคยพูดเท็จกับคุณชะอุ่มไหมนะครับ ถ้าบอก เ, อ CI, เราไม่เคยพูดเท็จเออนี่เราควรเอ š, ดีแล้วเราควรสังวรต่อไปนะครับคุณเจอุ่นคุณชจอุอ่มเคยพูดเท็จกับคนอื่นไหมเห็นไหมอ่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราเห็นนะบอกเออเราก็ไม่ไม่ควรนะนี่เป็นการยิ่เน้นให้เราในเรื่องของสัมม า, าวาจาละนอกจากจะวิลัสแล้วยังเน้นเรื่องสัมม า, าวาจาด้วยเพราะเราบอกว่าเอ้คุณชจอุม่มเคยพูดกับเราเนี่ยนะเคยพูดด้วย อ, อโทสะไหม เคยพูดด้วยว่าจีทุจริตที่เป็นโทสมไหมพลุศวาจาไหมอืมไม่เคยเอ๊ะแต่ท่านเคยพูดกับพระลุศวาจาขมขคนอื่นไหมอ๋อเคยเคยบ้างแล้วเราเคยไหมเออเราก็เคยเมื่อก่อไปนี้เราก็ต้องสังวรจริงเหล่านั้นมีโทษไหมมีการปรึกแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิกขามันเป็นสิกขาจริงๆแล้วมันมีเรื่องให้เราตรึกนะครับเราเคยพูดสัมผัสประปากับคุณเะอุ่มไหม บางครั้งเคยไงต่อไปนี้เราต้องสังวรสำรวมแล้วเพราะนั่นเป็นโทษนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็ออ่าแม้แต่ข้ออื่นๆในกุศลกรรมบดสิบขับกุศลกรรมบดสิบนี้เราเอามาตึกได้หมดเลยนี่เป็นธรรมะเป็นในเรื่องของการตรึกตึกที่ทําให้จิตเราเนี่ยเป็นกุศลนะครับที่ผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าอุเบคานเนียแก้วน้ําธรรมดาเนี่ย ธรรมดาเราก็มาเด็ดไปชอบมันเราก็มาเด็ดไปชังมันเราก็เห็นมันอย่างเนี้ยถามว่าแล้วเราจิตเราจะเป็นกุศลได้อย่างไรผมก็ยกตัวอย่างบอกเนี้ยเนี่ยแก่นั้นอย่างเนี้ยผมบอกว่าแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีปัญญาขั้นไหนเราจะตึกขั้นที่เรารู้เรื่องเรื่องทานเราก็ตึกได้ว่าเออน้านี้นะเราเคยนําน้าไปถวายพระ นะเอออย่างนี้นะเราตึกอย่างนั้นกับเราไม่รู้เรื่องเลยเรามองเฉยๆอย่างนี้เนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันนะหรือว่าเราตึกว่าเออแก้วน้ำนี้นะถ้ามันอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอธินนาทานได้ไหมเออได้นะใช่ไหมหรือว่าแก้วนี้ก้าวแก้วน้ํานี้เนี่ยนะถ้าเราจะตึกว่ามันเป็นมันสิ่งที่บรรจุนในนี้มันเป็นอาหารได้ไหมเออมันก็เป็นได้ก็แล้วแต่ว่า เราจะตรึกไปในลักษณะไหนถ้าเราจะตรึกไปในเรื่องโอ้นี่นะเพราะรูปารมนะนี่นะอรยธระภายนอกกับจากคูภาษาท่านนะสองอย่างนี้นะทำให้เกิดจิตเห็นขึ้นนะสามอย่างรวมกันเรียกว่าผัสสะนะอย่างนี้ก็เป็นการตรึกไปในเรื่องระดับสูงขึ้นไปอีกแล้วเพราะนั้นเราจะเห็นว่าแม้แต่แก้น้ำแค่นี้เราก็สามารถที่ตึกไปนาุศลได้ ขอโทษตึกเป็นกุศลได้นะครับนี่แหละเป็นเรื่องของสังวรถ้าเราไม่ตึกอย่างนี้อกุศลน่าไปกินหมดไม่โลภะก็โทสะไม่โทสะก็โมหะนะครับก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ว่าใครจะไปตึกได้ใครจะไปคิดได้อย่างนั้นเห็นไอ้นะู่นในนี้คิดอย่างนี้คิ ด, น, คดนั่นนี่นะ เออคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราคิดเผินๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับในชีวิตประจำวันใครจะไปนั่งตึกไม่ต้องทําการทํางานอะไรใช่ไหมแต่การที่เราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเข้าไปเข้าไปพิจารณาธรรมะแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อคัมภีร์นะจะไม่เชื่อพุทธพจน์หรือไม่เชื่อพุทธพจน์นั้นเนี่ยตัวนี้ต้องสําคัญมากเลยนะครับอย่าเอาตัวเราเนี่ยซึ่งมาตรฐานเรียกโน้ตแสตน์ด่าเลยมันไม่มีเลยเนี่ยเราไปเทียบเนี่ยนะว่าโอ้ย ทำจะทําได้ยังไงถ้าอย่างนั้นพุทธพจน์นี้ทิ้งไปก่อนเชื่อไม่ได้ถ้าอย่างนี้บาปมากนะแต่ถ้าเราบอกว่าเออนะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแต่เรายังทําไม่ได้แต่ฝึกได้มีผู้ที่ทําได้ถ้าอย่างนี้เป็นการเขาร่ในธรรมเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวเราเองเนี่ยเป็นมาตรฐานถ้าะะถ้าอ่านในอัตถกถาสติปัฏฐานสุขสัมปชัญญะบาพะแล้วครูผ้าองค์หนึ่งเนี่ยท่านฝึกได้ หยิบทุกหยิบเนี่ยท่านสัมปชัญญะหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุยไปเพลินแล้วเอื้อมมือไปหยิบแล้วเอาใหม่มีคือเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยปล่อยสติทําแบบนี้เลยแต่เม่คุยกับท่านนี่แหละสติผมหลุดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็สั่งวอรใหม่เพราะนั้นเขาเป็นเรื่องของการฝึกนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่การปล่อยปละละเลยตรงกันข้ามเลยว่าเขาเป็นคนที่ฝึกความคิดนะ ถ้าความคิดถ้าฝึกไม่ได้ชาณกุศลจะเป็นไปได้อย่างไรคำว่าปุริสธรรมสาระทินี่หมายคำว่าอย่างไรปุริสธรรมสารถทินี่ก็คือพระองค์ทรงฝึกบุรุษที่สมควรฝึกทั้งหมดเนยอย่างไม่มีคนอื่นยิ่งกว่านายหัดถาจาย์ฝึกช้างเข้าสู่สงครามได้อย่างดีเลยเนะจากสัตว์ป่าธรรมดาเอามาฝึกเข้าสู่สงครามได้เนี่ยนะสุนัขาจา์อาจารย์ฝึก สุนักนะฝึกสุนัขจนถึงก็ว่าสามารถพิสูจน์ดมอะไรได้รู้ว่ามีศพมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างวัตถุอะไรอะไรเนะี่ยเขาฝึกได้ขนาดนั้นเนี่ยสุนักขาอาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดานะสมัยนี้อาจารย์ฝึกสุนักไงแล้วต่อไปนายอัศาจารย์อัศาจารย์คืออะไรอัศแปลว่าม้าอาจารย์ฝึกมาเนี่ย ส, สามารถฝึกมาเข้าสู่สงครามฝึกมาแข่งฝึกได้หมดเลย เนี่ยศัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยฝึกได้และพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกบุรุษซึ่งเขานั่งอยู่ในอาสนะเดียวเนี่ยเขาไปได้ในทิศทั้งแต่เขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละสามารถเข้าปฐมฌานทุติยาฌานตัติยฌานจตุทัชฌาน เข้าอากาสารนญจายตนะเข้าวิญญาณนัญจายตนะเข้าอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะหรือเข้าพระสมมาบัติหรือเข้าสัญญาเวดายตานิโรหรือเข้านิโรสมมาบัติท่านสามารถเข้าได้หมดเลยถ้าความคิดนั้นฝึกสําเร็จเนี่ยนะถ้าผู้ที่ฝึกสําเร็จได้นะประสงค์จะคิดอะไรก็คิดสิ่งนั้นเนี่ยนะเขาสามารถที่จะเลือกคิดได้เลยเขาเขาห้ามจิตที่เป็นบาปได้อ่ะเนี่ยนะ เห็นอะไรเขาสามารถตึกต่อไปได้เลยเพราะเขาได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ปล่อยปละละเลยความคิดเห็นไหมเคยเอายังงี้นะว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยเป็นของที่หายากแต่คนที่สามารถหาทรัพย์ได้เอ้าใช่ไหมคนที่สามารถหาทรัพย์ได้ทั้งมากมายมหาศาลแล้วอริยะทรัพย์อ่ะเป็นของที่ยากกว่านั้นแต่ก็มีคนที่ทําประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเลยนะที่เป็นตัวอย่างของเราคือใคร สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็อ่านดูว่าในเถรคาถาเนี่ยนะตั้งแต่ภาษารีบุตรพระโมกขลานะพระมหากระสปะผ้านอนผ้านุรุตผ้ามหากัจยานะพระมหากปินาเนี่ยโอ้แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยได้รับการฝึกมาจนประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าเอานั้นพระผู้ชายพระผู้หญิงอีกพระเถรีทั้งหลายแหลเนี่ยนะพระนางอัมพปาลีอัมพปาลีเถรีคถาพระนางพัฒนาปิลานีเนี่ยนะ หรือว่าพระนางยโสธราพิมพาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์หมดเลยท่านเหล่านั้นก็ฝึกจนประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะแม้แต่สัมมเนนเจ็ดขวบถ้าฝึกตามคําสอนเขาก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่ที่ท่านฝึกเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นมีอะไรท่านมีศรัทธาท่านมีตถาคตโพธิศรัทธาของเรามีตถาคตโพธิศรัทธาขนาดไหนเนี่ยนะเราก็มาดูเทียบเคียงความแตกต่างกัน ของเขาสมัยนั้นเนี่ยนะพอเขานึกถึงว่าพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเขาคนลุกสู้เลยเราก็เฉยๆเห็นไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาพระทั้งหลายแหละที่แถาพบเนี่ยนะท่านก็จะตรวจสอบศีลของท่านเสร็จแล้วเนี่ยพอคิดถึงคําว่าศีลเมื่อไรเนี่ยท่านโสมนัสเลยยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านถูกเสือกัดเสือกัดเนี่ยนะท่านนึกถึงศีลของท่านแล้วโสมนัสเลยแล้วก็อีกหลายองค์ที่ ที่ไฟกําลังไหม้ที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยนะนึกถึงศีลของท่านแล้วทุกขากาญยาวิญญาณไม่เกิดอ่ะเพราะไม่มานสิการไม่มานสิการทุกขากายาวิญญาณก็ไม่เกิดกุศลศีลก็เกิดขึ้นเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นอวิปปติสารเกิดขึ้นปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์ ม, ทมันจะแผ่กระจายออกไปนะมันก็จะกระจายแบบอยู่ๆแล้วเหมือนกับคนลุกสู้ร้าหมดไหนไอ้ความเจ็บปวดนั้นไม่มีในขณะนั้นเวทนาทุกขากาญยาวิญญาณไม่เกิด เนี่ยพอปีติเกิดก็มีเป็นปัจจัยแก่ปัสสัต t h ปัสสัต t h เป็นปัจจัยแก่สุขสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยถาภูตยานัทสนะยถาภูตยานัทสนะเป็นปัจจัยแก่นิพิธานิพิธาเป็นปัจจัยแก่วิราคะวิมุตติยานัทสนะแล้วก็ปัจจเวขณาญาณเป็นพระอรหันดับขันปริมิพานเรียบร้อยแล้วนี่นะมาท่านก็ปฏิบัติตามท่านแล้วท่านฝึกจนประสบความสําเร็จได้ทีนี้ว่าเออเราเนี่ย ในฐานะความที่เรียกว่าเป็นคนบอดเป็นคนเขาเป็นผู้ที่ถูกทุกเนี่ยครอบงามแล้วเป็นผู้ที่ถูกชาติติทุก์เป็นต้นเนี่ยอย่างเอาแล้วเราขอเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะไม่ใช่ว่าทําด้วยตัวเองเฉยๆแบบคนไม่เสร็จไม่มีอาจารย์อะไรทักอย่างไม่ใช่แบบนั้นขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เอาพระธรรมคำสอนเป็นอาจารย์เอาพระสงฆ์เป็นอาจารย์คือศิทธสภาวูปัจมันะขอถึงท่านเหล่านั้นเป็น สารณะจริงๆอ่ะโดยที่เราขอเป็นศิษฐ์ท่านฝึกตามตามท่านท่านฝึกท่านว่าอย่างนี้ดีอ่ะทําไม่ได้หรอกแต่อ๋อดีตามท่านก่อนนะก็คือท่านท่านทําแล้วประสบความสําเร็จจริงสมมุติถ้าหากว่าเราไปเจอศาสตราจารย์ที่เก่งอักษรศาสตร์เลยนะเก่งอย่างมากมาเลยนะเสร็จแล้วเราอยากไปเรียนวิชาอักษรศาสตร์บ้างอาจารย์บอกนี่กไก่นะอาจารย์ไก่ที่บ้านผมไม่เห็นเหมือนของอาจารย์เขียนเลยอย่างไงอันนี้คอควายนะเอ๊ะตานควายที่บ้านผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ คอระครังที่บ้านที่วัดบ้านผมก็รกระคังก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วไม่ต้องเรียนหน่ววิชานี่เพราะอะไรไปเถียงอาจารย์ไม่กัต้นแล้วไม่ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าตถาคตโพธิ์ที่ศัทธาแต่ละบทแต่ละบทเราอ่อนเท่าไร่นั่นแหละเราเข้าถึงคําสอนอ่อนขนาดนั้นจริงๆถ้าตถาคตโพธิ์ที่ศัทาไม่มีเราจะไม่รู้เลยว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงพ้นจาก วัตถุท่านคิดอย่างไรเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของของศีลเนี่ยนะซึ่งมีความสำคัญมากอย่างของเราเนี่ยสามารถนึกและสบายใจไหมอาศัยศีลเป็นเป็นพื้นฐาน อ, อุบาสกสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะที่ท่านมีอุปนิสัยแห่งปัจเจกภบโีธยามเนี่ยนะท่านขึ้นมาจากน้ำท่านก็ตรวจศีลของท่านเอ๊วันนี้ไปหลอกเพื่อนมาท่านเสียใจในที่ที่ผิดศีลอันนั้นนะแล้วก็สมาทานสังเวชใจแล้วก็ บรรลุเป็นพระปเจกตรงนั้นเลยเห็นไหมแต่อย่าลืมว่าพระปเจกองนี้เนี่ยอดีตชาติประพฤติวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับสองหมืปีเห็นไหมอดีตชาติสมัยกัสปะอภรัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติบริบูรณ์นะแล้วก็พระราชาอีกหลายองค์เนี่ยนะในอำเภอหลายท่านบางคนเนี่ยพิจารณาเรื่องศีลของตัวเองแล้วก็สังเวชใจแล้วก็บรรลุเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าเพราะอาศัยเรื่องศีลเนี่ยซึ่งมีความสําคัญมากเขารู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษ อาศัยการฝึกนี่แหละฝึกจนนึกถึงศีลเมื่อไหร่แล้วก็สบายใจคนมีทรัพย์เนี่ยนะไปที่ไหนก็ยินใช่ไหมไปที่ไหนก็ยินเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นั่งเตะได้เลยแต่คนไม่มีทรัพย์นี่นั่งไหคนมีศีลก็เหมือนกันเจออารมณ์อะไรนั่นคือทรัพย์ของเขานั่นเป็นความมั่นใจของเขาเมื่อเขาได้รับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ขึ้นมาเขาจะวิจัยเรื่องศีลของเขาว่าเป็นปัจจัยให้ผิดศีลผิดธรรมล่วงศีลล่วงธรรมไหมอันนั้นคือทรัพย์ของเขาจริงๆ เมื่อคืนสนทนากับสมณเนีว่าเออของเราเนี่ยทรัพย์ของเรามคืออะไรบ้างทรัพย์คือศรัท ธ, ธายังไงเราก็มองเห็นอยู่แล้วทำยังไงเราจะมีศรัท ธ, ธาขึ้นมาถ้าเราไม่มีศรัท ธ, ธาเราไม่มีทรัพอะไรสักอย่างถ้ามองเห็นแล้วเราไม่ปารลบกุศลแลศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยเห็นไหมแล้วปารลบสมถะเนี่ยนะสมถะสี่สิบเนี่ยปารลบเอามาฟักข้อก็ยังดีนะวิปัสนาภูมิหกเนี่ยนะที่เรียกทายเจงอมมากกว่านะั้น วิปัสนาภูมิเนี่ยเอามาสักข้อหนึ่งไหมไม่มีเลยโอ้ไม่มีเนี่ยใครจะจนเท่าเราใช่ไหมทรัพย์ข้างนอกก็ไม่มีใจข้างในก็ไม่มีทรัพย์มีศรัทธาอะไรสักอย่างเลยนะในกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าคนเกียรติครันคนเกียรติครันมีความเพียรเลวซามเขาบอกงั้นผู้ที่เป็นลักษณะนี้นะก็บอกว่าคนที่มีความเพียรพยายามแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีความเพียรพยายามมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีว่างั้น ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่หมั่นฝึกตรึกในเรื่องกุศลธรรมจริงๆเนี่ยนะประโยชน์ของเราจะเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่งอกเงยกว่านี้เท่าไหร่มีแต่อับเฉากว่านี้อ่ใช่เลยเนี่ยนะแต่ที่จะงอกเงยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตเราไม่เกิดนะเราเนี่ยถูกแดดแผดเผานะที่ชราเพราะชีรณนะเตโชมันแผดเผาด้วยเตโชภายนอกแผดเผาด้วยแต่กุศลธรรมเราไม่ ไม่เจริญเติบโตเลยคือแทนที่เราสามารถจะตรึกถึงกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความสุขกับกุศลธรรมเหล่านั้นอย่าลืมว่ากุศลจิตนี่นะก็บอกเอ๊ปฏิบัติอย่างนี้ก็สแสวงหาความสุขใหเฉยๆสิในมหากุศลนี่มีเวทนากีย่ย่าสองอย่างนะโสมนัสกับอุเบกขาแต่อย่าลืมว่าบริวารของกุศลนั้นกายะปัสสัตถิจิตะปัสสัตถิกายะละหุตาจิตะละหุตา พอตรึกอย่างนี้แล้วกายต้องเบาเจตสิกเบาจิตเบาคล่องควรแก่การงานเป็นต้นนะสบายใจอย่างมากเลยกลายเป็นคนที่มีความสุขกับกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรึกถ้าศีลไม่ดีนะศีลานุสติตรึกได้ไหมล่ะนะของเรานี้ใครเจริญศีลานุสติบ้างใช่ไหมเพราะไม่ให้ฝึกรักษาศีลฝึกเรื่องศีลมาเป็นอย่างนี้เอาอะไรมามาศีลานุสติก็คือนึกถึงความไม่ขาดไม่ดางไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทย อ่ะนะวินยูชนสารเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะเราฝึกกุศลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีจนนึกเมื่อไหรก่ก็ก็สบายใจเลยนะนึกถึงศีลเมื่อไหร่ก็ยิ้มอ่าถ้าหากว่าในการเจริญกุศลธรรมนะถ้าเราฝึกดีๆยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เรามานั่งในะสถานที่ตรงนี้เลยตั้งแต่ต้นมาเลยนะเข้ามานั่งปัจเจกสถานที่พิจารณาและใช้สอยเสนาสนะเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะอ่าถ้าพิจารณาอย่างดีเสร็จก็ต่อด้วยอินทรียสังวร นะปรารบถึงอินทรีย์สังวรศีลปรารบถึงกุศลศีลเช่นกรรมบทเป็นต้นแล้วอันนะอาศัยพื้นฐานของศีลอย่างดีแล้วพิจารณาธรรมะนะสุขภาพจิตแตกต่างกันมากเมื่อเราอยู่อคิดธรรมะเฉยๆเนี่ยนะถ้าเราทบทวนกุศลศีลมาก่อนเนีย่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นน่นจะเกิดอย่างบ่อยมากแล้วก็จะสงบปณีสแตกต่างกันมากเนีย่ยนะแต่ถ้าไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยหมย่มันบอกว่าไม่มีอุปนิสัยก็บา ง, งั้น ในในกระทำวัตถุสูตรนะในติการนิบาศก็บอกว่าคนที่ไม่เงียบโสดลงสดับหรือไม่ตั้งใจฟังแล้วคนไม่มีตัฐาเมื่อเมื่อไม่มีศรัทธาก็ธรรมะหลังจากนั้นเช่นธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งไม่มีประโยชน์เลยว่า อ, อุปนิสัยหมดไปตั้งกั้ต้นแล้วเพราะเชื่อว่าเขาคบสัพ บ, บุรุษไม่บริบูรณ์คือเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแบบบริบูรณ์จริงๆ เขาจึงฟังธรรมมาไม่บริบูรณ์เมื่อเขาฟังธรรมไม่บริบูรณ์ศรัทธาเขาก็ไม่บริบูรณ์เมื่อศรัทธาไม่บริบูรณ์โยนิโสก็ไม่บริบูรณ์เมื่อโยนิโสไม่บริบูรณ์สติสัมปชัญญะก็ไม่บริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะไม่บริบูรณ์อินทรีย์สังวรก็ไม่บริบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรไม่บริบูรณ์สุดจริตสามไม่บริบูรณ์นะสุดจริตสามยังไม่ได้เลยถ้าสุดจริตสามไม่บริบูรณ์ สติปฐานสี่ก็ไม่บริบูรณ์เมื่อสติปฐานสีไม่บริบูรณ์โทษชงเจ็ดก็ไม่บริบูรณ์ถ้าโทษชงเจ็ดไม่บริบูรณ์วิชาและวิมุติก็ไม่บริบูรณ์ถ้าผิดไปตามหลักอันนี้แล้วนะในกีตาคิริสูตรบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้อย่างนึกถึงสูตรนี้อย่าประทับใจคําว่าโมคะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้ เอ้เราได้ด้วยหรือเปล่าในจํานวนนั้นนะในจํานวนที่ห่างนะเพราะในในในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงคําสอนได้ไหมล่ะเมื่อเกะบตอนที่มานี้กล่าวถึงโยมอาจารย์เขาว่าอ่านธรรมบทมานะไปแต่งคาถากรอนเรื่องแผ่นดินเอามาหรือเปล่าไม่ได้เอามาเนาะน่าเสียดายแต่งแล้วน่าจะจําได้ด้วยน่าก็ไดเอามาว่าดกรอนสดนะบอกว่าไปอ่านธรรมบทมาว่าที่สู่ทั้งหลายสนทนาเรื่องแผ่นดิน แผ่นดินตรงน้ำเนี่ยกรวดเยอะดินทางโน้นดีนะแล้วก็คุยเรื่องแผ่นดินทั่วไปนะพระองค์ก็บอกว่าเออพระองค์ก็เสด็จมาเลยนะคือคืออย่าลืมว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะนั่งเนี่ยจะต้องมีพุทธาอาฏก่อนแล้วก็สนทนากันไปพระองค์มาประทับเลยวัดพระองค์มาแล้วเนะพระภิกษุทั้งหลายนั่นแผ่นดินภายนอกนะเธอไม่ควรสนทนาธรรมดาภิกษุควรใส่ใจในแผ่นดินภายในเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะเนี่ยนะแผ่นดินภายในก็คืออะไร แผ่นดินในตัวเรานี่แหละนะถ้าดินมีเท่าไร่ถ้าดินมีเท่าไหร่นะยีนะ่สิบนาะเกษาโลมาทันตานักขาธันตาตโจมังสังนาหารูอัติอัติมินชังพวกนี้นะ<ม>ผอมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเน<ม>ี่ยควรใส่ใจอันนี้ถ้ารู้จักแผ่นดินอันนี้เข้าเนี่ยนะปฐวีธาตุซึ่งมีลักษณะแข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้<ม>ถ้ารู้จักปฐวีธาตุธาตุสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้ให้เปิด ปฐวีก็จะรู้เรื่องเรื่องของอะไรจะรู้เรื่องของธาตุที่เหลือด้วยเนี่ยนะจะรู้จักวาโยธาต์อโปธาต์และเตโชธาต์เมื่อรู้จักธาตุเหล่านี้อย่างดีสีคืออะไรสีคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสีอาศัยมหาภูตรูปอันนั้นแหละมีกลิ่นลกลิ่นก็คือเป็นสิ่งที่อาศัยมหาภูตรูปอาศัยมหาภูตารูปอันนั้นแหละทําให้เกิดรสอันนะโอชาก็อยู่ใน มหาภูตรูปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอีกครั้งหนึ่งมหาภูตรูปอันนั้นถ้ามีกรรมเป็นสมุทฐานมีชีวิตรูปอยู่ด้วยชีวิตรูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ามีกรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นมหาภูตรูปอนั้นก็เป็นที่อาศัยของจักขุปสาทะเพราะจักขุปสาทะเป็นอุปาทายรูปเป็นปสาทารูปความใสของมหาภูตารูปรับภาพได้เนี่ยนะความใสของมหาภูตรูปทําให้ ฟังเสียงได้รู้กลิ่นได้รับรู้รสได้นะเอามือไปชิมแกงดูยังไงก็ไม่รู้รสนะความใสยพิเศษชนิดแตกต่างกันนะถ้ามีกรรมเป็นสมุดฐานทําให้เกิดกายทําให้เกิดแล้วกายแต่ละส่วนก็ที่จากกรรมที่แตกต่างกันอย่าลืมนะถ้าหากว่าเราไม่ลืมลักขณะสูตรใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่นะในร่างกายของพระ อ, องคเ์เกิดจากกรรมที่คนละอย่างคนละอย่างใช่ไหมพระเกษาของพระ อ, องค์ก็มาอีกหนึ่งกรรม พระคิ้วของพระองค์ก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะขนที่อุณาโลมพวกพวกขนที่เกิดตรงหน้าผากก็มาจากอีกกรรมหนึ่งคางก็มาจากอีกกรรมหนึ่งเนี่ยนะหน้าผากก็มาอีกกรรมหนึ่งทรงหน้าก็กรอบหน้าก็มาอีกกรรมหนึ่งใบหูก็มาอีกกรรมหนึ่งคนละกรรมคนละกรรมคนละกรรมเนี่ยมาจับสันปั้นแต่งขึ้นมาเนี่ยหมาภูตรูปทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานทําให้เกิดสีแบบนี้แบบนี้ตามสมควร แล้วสีอันนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นสายตาพระพุทธเจ้าปกติพระองค์จะมองโดยรอบ16กิโลเมตรเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมองเห็นหมดเลยเนี่ยนะโดยรอบทั้งแผ่นดินทั้งบนอากาศเนี่ยมองโดยรอบถ้าสายตาธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะถ้าพระวิปัสสีเนี่ยมองไกลกันนั้นนี่ตัวอย่างนี้เนี่ยครับลองเอาไปเอาไปเพ่งดูนะครับเอาไปพิจารณาดูคิดนานๆนะครับเรื่องนี้เอาแค่ธาตุดินเนี่ยนะไปพิจารณาดู ก็ท่านก็เรียนอภิธรรมมาก็ผู้หลายคนแล้วนะลองอาจารย์ติงลองเอาไปเพ่งให้ละเอียดยิบ ย, ยิ่งกว่านี้อีกนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผู้ที่เขาเคยสะสมมานะเขาเพ่งได้เร็วแล้วแล้วได้มากมากมายนะรวดเร็ว ด, ด้วยนะครับเช่นใน <c oughs> เช่นในในพระสูตรที่พระพุทธภาคทรงแสดงกับทีขะนกกปริพาชกนะฮะ ที่ทำ ส, สุขละขาตาเนี่ยท่านบอกว่า <c oughs> ดูก่นวนอักทีเวสนะก็ในกายนี้มีรูปแลนะพระสารีบุตรบกพัดอยู่ข้างหลังอะล้วได้ยินะพิสุทธิ์หลายก็ในกายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมของมหาพุทธรูปสี่ ท่านคิดหรือว่าภาษารีบุตรจะตรึกไปในเรื่องอะไรบ้างที่มากมายอย่างที่ท่านเมื่อกี้เนี่ยท่านได้ตรึกมาว่ามหาพูทธ ร, รูปสี่ประกอบด้วยอะไรอุปาทายรูปมันประกอบด้วยอะไรมันทําให้อะไรเกิดอะไเยอะแยะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับการตรึกของบุคคล ต, ต่างๆกันเนี่ยผมไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครสะสมมามากน้อยใช่ไหมครับแล้วต่อเนตหนึ่งนะเรื่องมหาพูทธ ร, รูปยังไม่จบมหาพูทธ ร, รูปเนี่ยนะยังแบ่งไปพบภูมิต่างหาใช่ไหมมหาพูทธ ร, รูปของ สัตว์ในอบายก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะเมื่อมีกรรมเป็นสมุดฐานเหล่านั้นนั้นแล้วนะมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นของสัตว์ในอบายก็อย่างหนึ่งมหาภูตรูปของเดรชานก็อย่างหนึ่งของเปรตก็อย่างหนึ่งของอสุรกายก็อย่างหนึ่งสัตว์เดรชานนกหนูปูปีกก็คนละอย่างคนละอย่างมนุษย์ก็คนละอย่างเนี่ยนะซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานหรือเทวดาแต่ละชั้นก็มาจากมหาภูตรูปแต่ละอย่างเช่นรัศมีที่ออกนอกตัวรัศมีที่ออกมาก็คือ คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของมหาพูทธรูปนั่นเองที่ทำให้มีรัศมีออกมาเนี่ยนะแล้วมหาพูทธรูปของพรหมของพรหมั้งตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมาฌานความสามารถของมหาพูทธรูปที่เป็นรัศมีออกมาเปล่งกลั่งก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะมีความแตกต่างกันซึ่งมาจากกรรมที่แตกต่างกันถ้าหากว่าคนที่มีอโทสะเป็นบริวารมหาพูธรูปอันนั้นจะ ผองใสเป็นพ e> ิเศษถ้ามหาผู้ตัวรูปที่ม nope. ีโทสะเป็นบริวารนะจะมองคล้ำเด็นพิเศษนึกขำมันนะเอ้ยตรงไหนชาติที่แล้วทําเหตุประเภทนั้นมาแน่ๆแล้วแต่เจตนานั่นเองเป็นปัจจัยแล้วเจตนาจะเกิดขึ้นที่จะเป็นกรรมเนี่เพราะอะไรกรรมเกิดขึ้นเพราะสัญญา มีสัญญาเป็นปัจจัยมีภาษาเป็นปัจจัยกรรมก็เกิดขึ้นทำกรรมในขณะเห็นนั้นสีเป็นอารมณ์เป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสังสารวัตก็เป็นไปในลักษณะนี้มหาภูตรูป ก, ก็คือรูปรูปเป็นปัจจัยแก่อะไรสลายยตนะสลายยตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาอุปาทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมานต์อุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขั้งมวลก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทุกล้นล้วนเท่านั้นบริสุทธิ์นะทุกบริสุทธิ์ที่เป็นไปเนี่ยนะมีสักอยู่ในนั้นปนเลยเกิดจากปัจจัยเหล่านั้นนั้นไม่มีพระพระผู้ใดผู้หนึ่งไปสร้างสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นไปตามปัจจัยทั้งนั้นถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับทันทีเลยถ้าหากว่าสํารอกอวิชชาคือมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งอวิชชาก็สํารอกออกนะด้วยอริยมรรคเนี่ยนะ นามโรปก็ไม่มีเมื่อนามรรปไม่มีสลายตนะนักผัสสะเวทนาตัณหาเป็นต้นก็หมดที่สุดแห่งกองทุกข์ก็จะมีได้ด้วยอาตารอย่างนี้งั้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดการตรึกตรองใครครวนพิจารณาเนี่ยนะก็ยังไงได้สังเวชใจได้เลยว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนนะเราได้ประโยชน์น้อยที่สุดคว่างั้นนึกถึงว่าโอ้ฝนตกมาหาใหญ่เลยนะมีภาชนะอยู่ร่วรวอยู่อันหนึ่งนะไปรองน้าฝน แล้วออก N, ไปคว uh> ่ำไว้ด้วยนะมีชะลอมแล้วไปคว่ำชะลอมไว้ด้วยนะเวลาตกมันก็เข้าซึมได้ไม่เต็มที่นัก็เน้นว่าคว่ำไว้นั่นแหะนั้นถ้าเราหนึ่งตั้งใจไว้ผิดนะก็เหมือนกับพาชนะคว่ำเมื่อวายามฝนตกการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยวันนี้ทําให้นึกถึงคําว่าอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะมีความสําคัญมากจริงๆนะพอจนถึงว่าในายเอกานิบาตปณิทิวัะ หลักการตั้งจิตเนี่ยนะมีความสําคัญมากในการตั้งจิตเนี่ยถามว่าจิตเนี่ยมันตั้งได้ไหมที่จริงจิตเกิดดับเกิดดับไม่ได้ปัจจัยความคิดก็เกิดได้ปัจจัยความคิดก็เกิดถ้าตั้งไม่ได้นะไม่มีพระพุทธเจ้าหรอกเพราะสุเมธบัณฑิตเนี่ยพอท่านพิจารณาถึงว่าพุทธกากะธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นแน่เสร็จ แ, แล้วท่านก็เริ่มค้นคว้าว่า ธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็ปาระหวะพระพุทธเจ้าจปางก่อนท่านให้ทานมาท่านจึเป็นพระอาหารหันตัมมาสำมาศพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจงให้ทานเสร็จแล้วก็สมาทานที่จะให้ทานเหมือนอย่างว่าหม่อคว่ำเลยเนีย่ยนะตั้งใจสมาทานไว้ถามว่าตอนนั้นได้ให้อะไรอะไรหรือยงังยังแต่มีแนวความคิดว่าจะให้แบบม่อคว่ำ พอไปเจอเหตุการณ์ใดๆก็สา ม, มารถให้ได้จริงๆเพราะคนมีแนวความคิดแบบนั้นตั้งไว้แล้วถ้าคนไม่มีแนวความคิดอย่างนั้นตั้งไว้นะอย่างไรก็ให้ไม่ได้บาทเดียวก็ให้ไม่ได้เนี่ยนะเช้ามาเนี่ยอย่าว่าอาหารพระเลยแตถ้าไม่คิดจะให้เนี่ยใครก็ไม่ให้ทั้คนเนี่ยลูกในหลานเต็มบ้านก็ไม่ให้ทั้คนนะนะถ้าไม่มีแนวความคิดที่ตั้งไว้เพื่อจะให้ศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะรษาจริงๆเนี่ยนะสัตว์ส่วนใหญ่แล้วที่ไม่ล่วงกรรมบด เพราะปัจจัยไม่พร้อมแต่ไม่ได้เกิดจากการว่าเห็นโทษอะไรจริงๆหรอกยกตัวอย่างนะถ้าถ้าสัตว์มาเนี่ยที่ไม่ฆ่าจริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้สมาทานตั้งใจไว้อย่างดีเนี่ยนะยากมากเพราะว่าคนหลายท่านที่เรารู้ดูว่าน่าจะเคร่งครัดที่ไหนได้เนี่ยนะพอเหตุการณ์ปัจจัยมันพร้อมจริงๆเข้าออปานาติบาตก็ล่วงอาทินนาทานก็นล่วงศีลอื่นๆตามมาอีกเป็น เป็นพวนเลยอกุศุลกรรมอย่างอื่นก็เข้ามาอีกมากมายบาปประธรรมอย่างอื่นก็มีอีกมากถ้าหากว่าคนที่ยังรู้ตัวอยู่แล้วยังมุขสาวาดพระองค์บอกว่าไม่มีบาปอะไรอย่างอื่นที่เขาไม่กล้าทํำไม่มีบาปอย่างอื่นเลยที่เขาจะไม่กล้าทําอีกถ้าคืนรู้ตัวว่าสิ่งนั้นเป็นเป็นอาคุศศแลก็ยังกล้าพูดนะนะว่าจีทุจริตถ้าตามมาแล้วจะตามด้วยทุจริตอย่างอื่นๆอีกมาอีกเป็นทวน เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสมาทานตั้งแต่ต้นท่านตรารบเลยนะว่าเหมือนอย่างว่าจามรีรักษาขนหางนะที่เราเคยได้ยินนะท่านตั้งใจสมาทานแบบนั้นเลยนะเพราะแรงสมาทานที่ท่านตั้งไว้ในอดีตชาติตั้งกับปรารถนาเนี่ยไปเกิดเป็นนาคคาราสนี่นะเกิดเป็นนาที่มาสมาทานอุโบสถเนี่ยถึงเขาร้อยเข่าสนยังไงก็ไม่ไม่ไม่ฆ่าคนที่ทําอันตรายกับตัวเองอันนะอย่างเป็นสุมเมธบัน เป็นขันติวาทีราบทเนี่ยพระเจ้ากรลาปุเนี่ยนะถึงกระสังตัดแขนตัดขาตัดจมูกตัดหูเนี่ยจนถึงเอาเท้ากระทุ่งอกเนี่ยนะท่านยังให้พรขอให้พระราชามีความสุขเลยยังให้พรพระราชาได้อะใจของท่านทำไมคนอื่นรับไม่ได้เนี่ยนะเพราะไม่ได้สมาทานไม่ได้มีอภินิหารไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้มีแนวความคิดหรือตั้งใจแบบนั้นไว้เพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยตั้งได้ ตั้งด้วยยังไงก็เอากุศลธรรมนั่นแหละเป็นตัวตั้งว่าจะมีแนวความคิดเป็นไปตามคําสอนลักษณะนี้จะคิดตามคําสอนลักษณะนี้นะจะขอฝึกตามคําสอนในลักษณะนี้ซึ่งปุตตูชนกับอริยะจะต่างกันนะอย่างยกตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปุตตูชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําแนะนําก็คือวินีตะไม่ได้รับการฝึกอะไรสักอย่างใน ธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นพระไม่เห็นสัตบุ ร, รุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุต ร, รมไม่ได้รับแนะนําในสัตบุรุษนี่ปุถุชนสมบูรณ์แบบจะเป็นลักษณะนี้ก็จะสําคัญมั่นหมายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไปอีกมากมายมหาศาลยอมผิดศีลผิดธรรมนะด้วยอานาจกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตติด ต, ตามมาอีกมากมายมหาศาลแต่ผู้ที่ได้รับคําแนะนําได้รับการฝึกมาในคําสอนของพระ ตถาคตอรหันต์ตัสามมาสามพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาประสบความสำเร็จจริงๆอย่างน้อยเขาก็ปิดอบายได้เนี่ยนะโจลงคุลิมานก็ปิดอบายเรียบร้อยเลยเพราะพฤกรรม ท, ที่ท่านทำนั้นอ่ะเก้าร้อยเก้าสบเก้าศพเนี่ยนะสบายๆเลยโหอยู่ในเวจีนานเนียออกยากคดีนี้หนักหนาเหลือเกินแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยแก่ยาก ถึงใครจะผิดพลาดขนาดไหนนะถ้ามีใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ไปอภายแนะ่เดี๋ยนะเวนไวแต่ไปทำมณณเดียกรรมไม่นะแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยถ้าเขามีใจในคําสอนเชื่อมั่นว่าคําสอนเหล่านี้ทําให้ฝึกตัวเองได้ดีจริงๆเมื่อฝึกมากๆขึ้นอย่างน้อยที่สุดชวนะใกล้าตาเป็นกุศลนะถึงชาตินี้กุศลแรงๆไม่ได้ทำไว้นะอดีตชาติสัพท์ทั้งหลายไม่มีใครบาปบริสุทธิ์หรอกเดี๋ยนะ พันกรรมในอดีตที่เป็นอัปาราป ร, ปรยาเวเทนียกรรมก็มาให้ผลนําปฏิสนธิในพบที่ดีต่อไปได้เนี่ยถ้าเราได้รับการศุกเราก็จะเริ่มควบคุมความคิดเห็นนะประสงค์จะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาแล้วเนไหมประสงค์จะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาประสงค์จะคิดถึงพระพุทธเจ้านั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแล้วเวลาใกล้จับจุติอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดถึงแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าจิตในขณะนั้นไม่เศร้าหมอง เมื่อไม่เศร้ามองก็เป็นสะพานอย่างดีในการเกิดในภพต่อไปเพราะฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์เนี่ยท่านกล่าวไว้เลยว่าถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธาในพระพุทธคุณจริงๆเนี่ยนะตรึกในพุทธคุณบ่อยๆเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติมากๆเขาบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ทำมานันตริกรรมไว้นะอย่างไรก็ไม่ได้ไปลบายง่ายๆหรอกเพราะอะไรเพราะพุทธคุณเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังมาก เคยได้ยินนะอัปปมาโนพุทโธในโลกนี้ใครประเสริฐที่สุดในบรรด า, ราสัตว์สองเท้าสัตว์4ี่เท้าสัตว์มากเทา้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าเลยนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคลลบ ค, ลลลบบคลที่เลิศที่สุดเมื่อบุคคลระลึกถึงเคารพในบุคคลที่เลิศเนี่ยบุญที่เลิศ ก, ก็ย่อมสําเร็จแก่เขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของเขาเป็นไปกับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆเขาจึงไปสุขติเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ย เพราะว่าจิตของเขาเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองที่จริงอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นอารมณะปัจจัยให้แก่เขานะแต่ที่จะทำให้เขาไปสู่สุคตินั้นคือจิตของเขาแต่จิตของเขาเนี่ยจะไม่มีผลมากเลยถ้าไม่มีรพระตถาคตเป็นอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นน้านแก้วเดียวเนี่ยนะให้กับนายนก็ให้กับพระพุทธเจ้าให้เหมือนกันเนี่ยุสลจิตเกิดเท่ากันยกตัวอย่างมหากุศลดวงที่หนึ่งเหมือนกัน แต่ให้นายก็กให้พระพุทธเจ้าแตกต่างกันนะผลของการให้อะบุคคลเป็นคนเป็นเป็นวัตถุที่รับรองรับบุญน่ะแต่ผลบุญแตกต่างกันทั้งที่หมหากุศลเกิดเท่ากันแต่ผลแตกต่างกันมากหรือนายอังกุระเปออังกุระเปตาวัตถุเนี่ยนะที่กล่าวถึงอังกุระกับอินทกาเนี่ยนะอังกุระเนี่ยตั้งเตาเป็นหมื่นยอดเลยนะให้ทาน ให้ทานระดับมหาทานให้ทานเป็นหมื่นปีด้วยไม่ได้ให้วันสองวันนะชาวนะที่เป็นมหากุศลเนี่ยเกิดยาวมากกับอินทกระเทพบุตรใส่บาทครั้งเดียวกับพระอนุรุท ธ, ธะซึ่งเป็นพระอรหันต์เห็นไหมอินทกระเทพบุตรมีรัศมีมากกว่านะอังกุระที่ทําบุญมากๆต้องหลบให้เพราะว่าผู้ที่รับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมชั้นสูงคือเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นคนมีกิเลสคนไม่มีศีลเนี่ยหนึ่พันล้านคนเลยนะกับทำบุญกับพระอรหันต์องค์เดียวเนี่ยนะกุศลผลของกุศลเหล่านั้นแตกต่างกันมากนี่นะแตกต่างกันมากเพราะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ข้ามพ้นจากโลกแล้วท่านไม่มีตัณหาเป็นอ่าเป็นเครื่องเศร้าหมองแล้วพระอรหันต์นั้นบริโภคปัจจัยสี่แบบเจ้าของคือท่านไม่บริโภคด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้าไปเจือเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบุญกับผู้ลักษณะนั้นจึงมีมีผลมากมายมหาศาลและผลของการทำกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะบุคคลตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจก็ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างนายพรานเนื้ อ, อย่พรานนกคนหนึ่งเนี่ยอาชีพฆ่านกทั้งชาตินั่นแหละแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะทำเนื้อนกให้สุกเป็นอย่างดีเลยก็อเอาไปใส่บาตราประเจกกับผู้เทเจ้าท่านตั้งความปรารถนาว่าท่านพระคุณเจ้า ข้พาพเจ้าเองจะไปตั้งเรราาสมัยนี้ไม่ได้นะก็พระคุณเจ้าตรัสรู้ทำใดขอข้าพเจ้าตรัสรู้ธรร ม, มนั้นด้วยสมัยนี้ห้ามตั้งเรราร่าในแนวความคิดแบบนี้นะตั้งตัวไปแล้วก็เกิดพระคุณเจ้าไปคิดไม่ค่อยมีดีมีร้ายไปคิดตามนะไม่ที่แย่เลยก <c oughs> ็<ล> <c oughs> ต้องไปเอาแบบพระอริยเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดขอข้าพเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นเหนั้นเถอะ <c oughs> พระอรหันตรัสรู้ทำใดข้าพเจ้าขอตรัสรู้ธรร ม, มะนั้นตาม เออนะด้วยผลของการใส่ชิ้นนกอันนั้นแล้วหลังจากนั้น น, น่ะนะอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่มีกําลังมากทําให้ท่านตอนหลังมีศรัทธาถึงกลับมาบวชเนี่ยนะชาสุดท้ายท่านก็นมาบวชบวชแล้วท่านก็เป็นพระอระหันต์ทั้งทั้งที่มีเนื้อตัวเนี่ยนะเป็นกระดูกเนี่ยนะับตั้งแต่กระดูกข้างในมามันแตกหมดเลยเนะี่ยด้วยผลที่ฆ่านกอ่ะกรรมที่ไปฆ่านกหักกระดูกนกอะไรเนี่ยนะอานะทั้งร่างกายเนี่ยมันเปราะไปหมดเลย แล้วก็มันเป็นเหมือนกับฝีเนี่ยนะน้ำเหลืองเนี่ยไหลเยิ้มตลอดหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าพระองค์ก็แสดงธรรมในขณะที่ว่าอาจีรังวัตยังกาโย ο, ปัตวิงอธิเสสติจตัททวเปตวิญญานุเนี่ยนะนิรัตทั้งวะกะลิงคารังว่า้นบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้ที่แรกที่พระองค์ตรัสว่านะร่างกายนี้ไม่นานน้อจักท่วมทับซึ่งแผ่นดินว่า้นบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้ แค่ก็ฟังพิจารณาตามนั่นแหละเป็นพระอารหันต์เลยแล้วก็ปรินิพานนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้บุญก็ส่วนบุญแหละบาปก็ส่วนบาปแต่ถ้าบุคคลตั้งเจตนาที่ดีเอาไว้ชอบแล้วนี่เนี่ยฉั้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองเขาเองไม่ใช่ใครปกป้องแต่อาศัยคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเป็นอุปนิสัยให้เพราะฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความความสุขนี่แหละ พันว่าการเกิดว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขว่างั้ น, นเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขมากมายมหาศาลเนี่ยนะเขาบอกว่าช่วงใดที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นเหล่าเทพเพจ้าเนี่ยยิ้มเลยก็บอกว่าอสุรกายเนี่ยจะพร่องแล้วเราว่านารกจะพร่องเบาบางและส่วนเท е วเท е วดาเนี่ยนะจะบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็เป็นยังไงก็เลือกเอากันแล้วกันคิดเอากันนะเรื่องเรานี่คิดเอาทั้งนั้นเน่ยเชื่อไหม